บทที่แปดการวางแผนอย่างเป็นระบบตกผลึกปณิธานสู่ปฏิบัติการขั้นตอนที่6สู่ความร่ำรวยคุณได้เรียนรู้แล้วว่าทุกๆสิ่งที่เราสร้างสรรหรือได้มาล้วนเริ่มต้นมาจากปณิธานปณิธานเป็นก้าวแรกของการเดินทางจากนามธรรมาไปสู่รูปธปรรมซึ่งมาจากการใช้จินตนาการเพื่อสร้างสรรแผนปฏิบัติการ ในบทที่สามปณิธานคุณได้เรียนรู้หลักการทั้งหกขั้นตอนในการแปลเปลี่ยนปณิธานเป็นเงินทองหนึ่งในขั้นตอนนั้นคือการที่คุณต้องสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนหรือแผนที่ใช้ในการแปลเปลี่ยนปณิธานนั่นเองต่อไปนี้เป็นคำแนะนำพื้นฐานสำหรับการวางแผนปฏิบัติการจงพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่จะช่วยสร้างสารรค์ และคิดแผนการเพื่อความมั่งคั่งใช้หลักการของการระดมความคิดจงปฏิบัติตามคาแนะนำอย่างเคร่งครัดอย่าละเลยมันทีมงานระดมความคิดประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคนหรือมากกว่าซึ่งทำงานร่วมกันประสานงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งได้นำเสนอแนวคิดนี้แล้วในบทที่6ความรู้เฉพาะทาง และจะอธิบายรายละเอียดมากขึ้นในบทที่สิบเอ็พลังแห่งการระดมความคิดก่อนที่คุณจะสร้างทีมงานระดมความคิดจงตัดสินใจก่อนว่าอะไรเป็นผลประโยชน์ที่คุณจะให้กับสมาชิกเพื่อเป็นการตอบแทนในความร่วมมือไม่มีใครจะทำงานอย่างเต็มความสามารถโดยปราศจากสิ่งตอบแทนไม่มีคนฉลาดคนไหนที่คาดหวังว่า ผู้อื่นจะทำให้โดยปราศจากการตอบแทนที่เหมาะสมถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจไม่ใช่เรื่องเงินทองเสมอไปพยายามจัดให้มีการประชุมสำหรับสมาชิกทีมระดมความคิดของคุณอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นถ้าทำได้จนกว่าแผนการที่จำเป็นจะเสร็จเรียบร้อยจงรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวคุณเอง กับสมาชิกในทีมระดมความคิดไว้ให้ดีถ้าคุณไม่ได้นําคําแนะ น, นํานี้ไปใช้ทุกตัวอักษรคุณอาจพบกับความล้มเหลวหลักการระดมความคิดจะไม่ได้ผลเลยถ้าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโปรดจด จ, จําข้อเท็จจริงต่อไปนี้คุณต้องมีส่วนร่วมในภาระหน้าที่ที่มีความสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จ คุณต้องมีแผนรองรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นคุณต้องใช้ความได้เปรียบที่ตัวเองมีในด้านต่างๆเช่นประสบการณ์การศึกษาศักยภาพเฉพาะตัวและจินตนาการนี้คือหนทางที่ทุกคนซึ่งอยากมั่งคั่งร่ำรวยต้องก้าวเดินไปไม่มีใครมีประสบการณ์การศึกษาศักยภาพและความรู้เพียงพอ ที่จะได้มาซึ่งความมั่งคั่งโดยปราะศะจากความร่วมมือจากผู้อื่นทุกแผนการที่คุณคิดเพื่อทำเงินควรจะมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเองกับสมาชิกทุกคนในทีมระดมความคิดคุณอ่านเริ่มต้นจากแผนการทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณแต่จงให้สมาชิกทุกคนในทีมได้ตรวจสอบและให้การยอมรับแผนการนั้นเสมอ ถ้าแผนการแรกของคุณล้มเหลวจงลองแผนอื่นต่อไปถ้าแผนการแรกที่คุณสร้างขึ้นไม่ประสบความสำเร็จจงใช้แผนการใหม่ถ้าแผนการใหม่นี้ไม่ได้ผลอีกก็ให้ใช้แผนอื่นต่อไปและต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค้นพบแผนการที่ได้ผลตรงนี้คือจุดที่ผู้คนส่วนใหญ่พบกับความล้มเหลวเนื่องจากขาดความมุ่งมั่นในการสร้างสรรแผนการใหม่ แทนที่แผนการที่ล้มเหลวไปถ้าปราศจากแผนการที่ดีและสามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วแม้แต่บุคคลซึ่งฉลาดที่สุดก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในเรื่องเงินทองหรือโครงการอื่นใดได้จงตระหนักและจดจำความจริงข้อนี้ไว้ในใจเมื่อแผนการของคุณล้มเหลวมันเป็นเพียงความล้มเหลวชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้คงอยู่กับคุณตลอดไป มันหมายความเพียงว่าแผนการนั้นไม่ดีพอจงสร้างสรรแผนการอื่นๆต่อไปเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆความล้มเหลวชั่วคราวก็มีความหมายเพียงว่าแผนการของคุณมีข้อบกพร่องอะไรบางอย่างผู้คนนับล้านใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากและยากจนเพียงเพราะว่าพวกเขาไม่มีแผนการดีๆที่จะนำมาซึ่งทรัพย์สินและเงินทอง ความสำเร็จของคุณจึงขึ้นอยู่กับแผนการไม่มีสิ่งใดเอาชนะคุณได้ถ้าคุณไม่ถอดใจยอมแพ้ซะก่อนคุณจะไม่พ่ายแพ้จนกว่าคุณจะถอดใจเจมจีฮิลผู้ก่อสร้างทางรถไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพบผ่านกับความล้มเหลวชั่วคราวตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาพยายามผลักดันให้ทางการสร้างทางรถไฟเกรทนอเทน จากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกแต่เขาก็ได้เปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะด้วยแผนการใหม่เฮนรี่ฟอร์ดก็เจอกับความล้มเหลวชั่วคราวไม่เพียงตอนที่เริ่มอาชีพผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่รวมไปถึงตลอดเส้นทางแห่งการไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตด้วยแต่เขาก็ยังพยายามสร้างสารรค์แผนการใหม่ๆและเดินทางไกลไปสู่ชัยชนะทางธุรกิจด้วย เราพบเห็นคนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแต่เรามักรับรู้เฉพาะชัยชนะของเขาและมองข้ามความล้มเหลวชั่วคราวที่เขาต้องฝ่าฟันไม่มีใครที่สามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจโดยไม่เคยมีประสบการณ์แห่งความล้มเหลวชั่วคราวเมื่อความล้มเหลวมาเยือนจงรับรู้เพียงว่ามันเป็นสัญญาณเตือนว่าแผนการของคุณไม่ดีพอเท่านั้นสร้างแผนขึ้นมาใหม่ แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ถ้าคุณยอมแพ้ก่อนถึงเป้าหมายคุณก็จะกลายเป็นผู้แพ้คนที่ยอมแพ้ไม่เคยชนะและผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้จงเขียนประโยคพวกนี้ไว้บนแผ่นกระดาษใช้ตัวอักษรใหญ่ๆสักหนึ่งนิ้วแล้วติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายก่อนเข้านอนและตอนเช้าก่อนไปทำงานในการเริ่มต้นคัดเลือกสมาชิกในทีมระดมความคิด คุณควรเลือกคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคนบางคนเชื่ออย่างงมงายว่าเงินสามารถสร้างเงินได้ไม่เป็นความจริงเลยปาณิธานเท่านั้นที่จะแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ผ่านหลักการในหนังสือเล่มนี้เงินไม่ใช่สิ่งที่เฉื่อยชาแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้คิดหรือพูดไม่ได้แต่เงินสามารถได้ยินใครก็ตามที่ปรารถนามันเรียกหามัน แล้วมันจึงจะมาแผนการอัชญชานฉลาดจำเป็นสำหรับความสำเร็จในภารกิจแห่งการสร้างความร่ารวยต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในรายละเอียดสำหรับผู้ที่เริ่มจากสร้างความร่ารวยด้วยการขายงานบริการเฉพาะบุคคลในทางปฏิบัติแล้วความมั่งคั่งร่ารวยอาจเริ่มต้นจากการขายงานบริการเฉพาะบุคคลหรือจากการขายไอเดียถ้าคุณไม่มีผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอยู่ในมือแล้วจะมีอะไรอีกเล่าถ้าไม่ใช่ไอเดียและงานบริการเฉพาะบุคคลที่คุณจะสามารถเปลี่ยนมันเป็นความร่ำรวยได้ผู้นำหรือผู้ตามอาจพูดกว้างๆได้ว่าในโลกนี้มีคนอยู่เพียงสองประเภทเท่านั้นประเภทแรกคือผู้นำและอีกประเภทคือผู้ตามจงตัดสินใจเองว่าคุณอยากเป็นผู้นาในแบบที่คุณเลือกได้ หรือจะเป็นผู้ตามตลอดไปมันแตกต่างกันอย่างมากมายมหาศาลผู้ตามไม่สามารถจะคาดหวังอะไรได้มากเหมือนกับผู้นำในขณะที่ผู้ตามบางคนจะคิดอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ไม่เป็นไรแม้ว่าการเป็นผู้ตามไม่ได้เสื่อมเสียอะไรแต่อีกมุมหนึ่งผู้ตามมักไม่ได้รับเกียรติผู้นำที่ยิ่งใหญ่ส่วนมากก็เริ่มจากการเป็นผู้ตามก่อนเขาเป็นผู้นาที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะเคยเป็นผู้ตามที่ชาญฉลาดมาก่อนมีข้อยกเว้นในกรณีของคนที่ไม่เคยฉลาดพอที่จะยอมตามผู้อื่นบ้างในบางเรื่องก็อาจจะไม่สามารถเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพได้เช่นกันคนที่สามารถตามผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก่อนย่อมเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ชฉลาดมีข้อได้เปรียบหลายอย่าง รวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้ความรู้จากผู้นําด้วยคุณลักษณะเด่นของความเป็นผู้นําต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับภาวะผู้นํา 1. กล้าหาญยืนหยัดบนพื้นฐานความรู้และวิชาชีพของตัวเองไม่มีใครอยากได้ผู้นําที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองและไม่กล้าหาญแน่นอนว่า ไม่มีผู้ตามที่เฉลียวฉลาดคนใดจะยอมอยู่ภายใต้ผู้นำเช่นนี้ได้นานนัก 2. การควบคุมตัวเองคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ย่อมไม่สามารถควบคุมผู้อื่นได้เช่นกันการควบคุมตัวเองได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับผู้ตามซึ่งผู้ตามที่ชาญฉลาดย่อมจะเรียนแบบตาม 3. สานึกแห่งคุณธรรม ถ้าปราศจากซึ่งความตรงไปตรงมาและยุติธรรมก็จะไม่มีผู้นําคนใดสามารถบังคับบัญชาและได้รับความนับถือจากผู้ตามได้ 4. ตัดสินใจแน่วแน่คนที่ตัดสินใจเด็ดขาดและแสดงความมั่นใจในตนเองจะสามารถนําผู้อื่นได้สำเร็จ 5. แทนการที่ชัดเจนผู้นําที่ประสบความสำเร็จ ต้องวางแผนการทำงานและนำแผนการนั้นไปปฏิบัติผู้นำที่ทำงานด้วยการคาดการไม่มีแผนปฏิบัติการที่แน่นอนเปรียบเสมือนเรือที่ไม่มีหางเสือไม่ช้าก็เร็วย่อมชนกับหินโสโรครก 6. นิสัยทำงานเกินกว่าค่าตอบแทนหนึ่งในภาระแห่งภาวะผู้นาคือการที่ผู้นำต้องเต็มใจที่จะทำงานมากกว่าลูกน้อง7 บุคลิกภาพดีเป็นที่ประทับใจของผู้อื่นภาวะผู้นำต้องการการยอมรับนับถือจากผู้คนผู้ตามจะไม่ยอมรับนับถือผู้นำที่มีบุคลิกภาพดีน้อยกว่าตัวเอง 8... ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องมีความเห็นอกเห็นใจลูกน้องยิ่งกว่านั้นต้องเข้าใจลูกน้องและปัญหาของลูกน้องด้วย9 ความรอบรู้ในงานปลีกย่อยภาวะผู้นําที่จะประสบความสําเร็จต้องการความรอบรู้ในงานปลีกย่อยในตําแหน่งของผู้นํา 10. เต็มใจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ผู้นําที่ประสบความสําเร็จต้องมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบข้อผิดพลาดและจุดอ่อนของลูกน้องหากผู้นําคนใดพยายามที่จะผลักความรับผิดชอบผู้นําคนนั้น จะไม่สามารถนําผู้อื่นได้ถ้าลูกน้องคนใดคนหนึ่งทําผิดพลาดหรือไร้ความสามารถคุณต้องพิจารณาว่าตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ล้มเหลว 11. ความร่วมมือผู้นําที่ประสบความสำเร็จต้องเข้าใจรู้จักประยุกต์หลักการประสานความร่วมมือร่วมใจและสามารถชักชวนให้ลูกน้องทำตามได้ภาวะผู้นาต้องการพลัง และพลังต้องการความร่วมมือมีภาวะผู้นำอยู่สองประเภทประเภทแรกคือมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นผู้นำที่ผู้ตามยอมรับและให้ความเห็นอกเห็นใจประเภทที่สองคือใช้ภาวะผู้นำด้วยการบังคับปราศจากการยอมรับและเห็นอกเห็นใจจากผู้ตามประวัติศาสตร์ได้สอนเราว่าผู้นำที่ใช้กำลังบังคับจะอยู่ได้ไม่นานความหยียนะ และสิ้นสูญของเผด็จการและกษัตริย์มีความสำคัญหมายความว่าผู้คนจะไม่ยอมตามผู้นำที่ใช้การบังคับไม่ว่าในกรณีใดๆนโปเลียนมุสโซโซินีฮิตเลอร์เป็นตัวอย่างของผู้นำที่ใช้กำลังทำให้ภาวะผู้นำของพวกเขาต้องสูนสลายไปข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียง เพิ่มเติมด้วยรายชื่อต่อไปนี้อีดีอามินฟรานซิสโกแฟนโกสัดดัมฮุสเซนเฟอร์ดินานมาคอสสโลโบดันมิโลเซวิกยูนเพอรรอนนายพลออกัสโต้พิโนเชผ่อนพศนายพลสุฮาโต้ผู้นำทาลิบันในอัฟกานิสถานมาเชลโจซิป บรสติโตโจเซฟสตาลินรวมถึงผู้นำของสาภาพโซเวียตเยอรม น, นีตะวันออกและประเทศในกลุ่มคอมมิวนิสต์จบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงคนเหล่านี้ได้มองเห็นพลังอำนาจของตัวเองลดน้อยลงและสูญสลายไปในที่สุดภาวะผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากผู้ตามย่อมยั่งยืน ผู้คนอาจจะยอมรับภาวะผู้นำที่ใช้การบังคับแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นและจะยอมรับด้วยความไม่เต็มใจผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะรวบรวมปัจจัยทั้งสิบเอประการของภาวะผู้นำที่ได้อธิบายไว้ในบทนี้เช่นเดียวกับปัจจัยอื่นๆผู้ที่สร้างพื้นฐานของภาวะผู้นำให้เกิดมีขึ้นแก่ตัวเองแล้วชีวิตจะได้พบพ่านกับโอกาสมากมาย ที่จะช่วยนําพาให้ก้าวหน้าต่อไปสาเหตุสิประการที่ทำให้ผู้นําพบกับความล้มเหลวต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดหลักๆที่ทำให้ผู้นําล้มเหลวเป็นเรื่องสำคัญมากสาหรับคุณที่จะรู้สิ่งที่ไม่ควรทำพอๆกับรู้สิ่งที่ต้องทำหนึ่งไม่สามารถจัดการกับเรื่องปลีกย่อยได้ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องปลีกย่อยไม่มีผู้นำที่มีอัจฉริยภาพคนใดทำให้ตัวเองยุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาทำสิ่งสำคัญซึ่งต้องการใช้ความสามารถของผู้นำไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามเมื่อคุณทำให้ตัวเองยุ่งเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการหรือไม่มีเวลาที่จะให้ความสาคัญกับงานเร่งด่วนแล้ว คุณกำลังทำให้ตัวเองไร้ประสิทธิภาพผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถจัดการกับทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนั่นหมายความว่าคุณต้องฝึกให้ตัวเองมีนิสัยในการจัดระเบียบรายละเอียดปลีกย่อยได้เป็นอย่างดี 2. ไม่เต็มใจทำงานบริการต่ำๆเมื่อมีโอกาสและความต้องการผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องเต็มใจที่จะทำงานต่ำๆ ที่เขาสั่งให้คนอื่นทำบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่พร้อมจะรับใช้ทุกคนเป็นความจริงที่ผู้นำทุกคนต้องตระหนักและยอมรับ 3. ค า, าดหวังผลตอบแทนจากความรู้มากกว่าการใช้ความรู้ที่มีลงมือทำงานโลกไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ในสิ่งที่คุณรู้แต่จ่ายในสิ่งที่คุณทำ หรือสิ่งที่คุณสั่งให้คนอื่นทำสวาดกลัวการแข่งขันจากผู้ตามผู้นำที่กลัวว่าลูกน้องจะยึดอำนาจนั้นค่อนข้างแน่ใจได้เลยว่าในไม่ช้าความกลัวนั้นจะเป็นจริงถ้าผู้นำสามารถฝึกคนให้เป็นตัวแทนทำงานในเรื่องปลีกย่อยได้ก็จะทำให้ผู้นำสามารถแบ่งร่างไปทำงานและไปอยู่ที่ต่างๆได้ เป็นความจริงแท้นแน่นอนว่าผู้นำยอมจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าตามความสามารถที่จะสั่งการให้ผู้อื่นทำงานแทนมากกว่าพยายามลงมือทำเองผู้นำที่มีประสิทธิภาพอาจใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองมีร่วมกับบุคลิกภาพที่น่าประทับใจในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้อื่นในการทำงานบริการ เพื่อให้ได้งานบริการที่ดีกว่าเดิม 5. ไร้จินตนาการถ้าปราศจากเสียซึ่งจินตนาการแล้วผู้นำก็จะไม่สามารถรเผชิญกับวิกฤตหรือไม่สามารถสร้างสรรค์แผนการดีๆได้หความเห็นแก่ตัวผู้นำที่แอบอ้างความสำเร็จจากการทำงานของลูกน้องแน่นอนว่าต้องได้รับความอาฆาตคิดแค้นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำที่แท้จริงย่อมไม่ขอรับเกียรติยศใดๆผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขอรับเพียงแต่ความพึงพอใจในความสำเร็จเท่านั้นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ตระหนักดีว่าคนส่วนใหญ่ทำงานหนักเพื่อได้รับคำยกย่องชมเชยมากกว่าเรื่องเงินทองเพียงอย่างเดียว 7. การทำตามอําเภอใจของตัวเองผู้ตามย่อมไม่นับถือผู้นำ ที่ทำอะไรตามใจตัวเองนอกจากนี้การทำตามอำเภอใจของตัวเองยังทำลายความอดทนอดกลั้นของผู้ที่ต้องยอมตามแความไม่จงรักภักดีบางครั้งจะเห็นความไม่จงรักภักดีในองค์กรปรากฏขึ้นก่อนผู้นำที่ไม่จงรักภักดีต่อหน้าที่ของตัวเองต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้าการบังคับบัญชา ย่อมไม่สามารถรักษาภาวะผู้นำไว้ได้ความไม่จงรักภักดีจะทำให้คุณมีค่าน้อยยิ่งกว่าฝุ่นทุลีดินสมควรแก่การดูถูกเหยียดหยามการขาดความจงรักภักดีเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวในทุกย่างก้าวของชีวิตเก้าให้ความสําคัญกับอำนาจของผู้นำมากจนเกินไปผู้นาที่มีประสิทธิภาพจะนาโดยการกระตุ้นเตือน โดยไม่ทําให้ความกลัวซึมซับเข้าไปในจิตใจของลูกน้องผู้นําที่พยายามใช้อํานาจให้ประทับเข้าไปในจิตใจผู้ตามจัดอยู่ในภาวะผู้นําแบบบังคับควบคุมถ้าคุณเป็นผู้นําที่แท้จริงคุณไม่จําเป็นต้องโฆษณาข้อเท็จจริงใดๆมันจะปรากฏชัดจากความประพฤติของคุณซึ่งมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจ มีความยุติธรรมและแสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักงานของคุณดีสิ 10. ให้ความสำคัญแก่ยศถาบรรดาศักดิ์ผู้นำที่มีศักยภาพย่อมไม่ต้องการการยอมรับนับถือที่ลุ่มๆุมดอนดอนจากผู้ตามผู้นำซึ่งเน้นถึงแต่ยศถาบรรดาศักดิ์จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับผู้อื่นประตูสำหรับผู้นำที่แท้จริง เปิดกว้างสำหรับทุกๆคนที่ปราศจากแบบแผนพิธีการและการโอ้อวดทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุแห่งความล้มเหลวของภาวะผู้นำข้อบกพร่องเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ล้มเหลวถ้าคุณมีศักยภาพแห่งผู้นำจงศึกษารายละเอียดอย่างระมัดระวังและมั่นใจว่าตัวเองปราศจากข้อบกพร่องเหล่านี้ บทวิจารณ์วอร์เรนเบนนิสศาสตราจารย์สอนวิชาการบริหารและการจัดการกล่าวว่าผู้จัดการคือคนที่ต้องทำอะไรที่ถูกต้องผู้นำคือคนที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนาวิกโยธินเกรซฮอปเปอร์ per, เป็นเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินหญิงเมื่อเธอต้องถูกสัมภาษณ์นานถึงห0สินาทีเธอกล่าวว่า เมื่อใดที่คุณสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้คุณก็จะนำผู้คนได้จบบทวิจารณ์จะได้งานเมื่อไรและอย่างไรข้อมูลต่อไปนี้เป็นผลสรุปที่ได้จากประสบการณ์หลายปีที่ชายและหญิงนับพันคนได้รับจากการช่วยเหลือในการทำการตลาดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพบทวิจารณ์อินเทอร์เน็ต อีเมลและแฟกต์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่นายจ้างจะใช้เพื่อค้นหาลูกจ้างและเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการหางานทำอย่างไรก็ตามหนังสือคิดแล้วรวยไม่ได้มีไว้สำหรับคนส่วนใหญ่มันถูกเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นผู้เขียนขอแนะนำให้คุณพยายามทำตามคำแนะนา เกี่ยวกับวิธีการที่จะได้ตำแหน่งงานและการเตรียมสมัครงานหากคุณกําลังคิดว่าคําแนะนํานี้ง่ายๆพื้นๆและล้าสมัยไปแล้วเราขอยืนยันว่าตรงไหนที่ควรเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยเราได้เสริมบทวิจารณ์ลงไปให้แล้วจบบทวิจารณ์หนึ่งสำนักจัดหางาน โปรดระมัดระวังในการเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือและสามารถแสดงผลงานความสำเร็จให้เราเห็นได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงอย่างที่ทุกคนในตลาดแรงงานทราบกันดีว่าทุกวันนี้ตัวแทนจัดหางานมีตั้งแต่บริษัทที่จัดหางานออฟฟิศชั่วคราวไปจนถึงสรรหาผู้บริหารคนใหม่ให้กับองค์กรระดับสูง ซึ่งต้องการผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการถ้าคุณกำลังมองหาตำแหน่งงานระดับกลางถึงระดับสูงคติพจน์เก่าๆที่ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณจ่ายไปเป็นความจริงจบข้อมูลจากผู้เรียบเรียง 2. หลงโฆษณานในหนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารจัดหางาน โฆษณาอาจได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการสมัครงานแรกเข้าเช่นเสมียนพนักงานขายโฆษณาที่จะใช้ควรเขียนเป็นอย่างดีออกแบบให้สวยงามถึงแม้ว่าจะแพงกว่าแต่ก็จะจูงใจกว่าสำเนาที่จะแจกจ่ายควรเตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญในงานที่มีคุณภาพเพื่อการตอบรับที่ดี ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงในปัจจุบันมีการใช้สื่อโฆษณาเพื่อประกาศหางานไม่บ่อยนักแต่ถ้าคุณมั่นใจในตำแหน่งที่ต้องการสื่อโฆษณาที่เขียนและออกแบบเป็นอย่างดีอาจช่วยขายตัวคุณเองได้อาจลงในวรารสารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับงานอาจทําให้มีคนสนใจคุณอย่างไรก็ตามถ้าคุณตั้งใจจะใช้วิธีการนี้ อาจต้องเตรียมใจยอมรับค่าใช้จ่ายซึ่งสูงมากโดยเหตุนี้คุณอาจไปติดต่อที่บริษัทโฆษณาอาศัยหลักการโฆษณาที่ว่าสื่อโฆษณาครั้งเดียวอาจขายอะไรไม่ได้เลยจำเป็นต้องให้ผู้คนเห็นสื่อโฆษณาซ้ำๆบ่อยๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ซื้อนายจ้างที่มีศักยภาพซื้อสินค้าคือตัวคุณจบ ข้อมูลเพิ่มเติมจากเรียบเรียง 3. จดหมายสมัครงานวิธีการนี้จะมุ่งตรงไปยังผู้ที่ต้องการบริการหรือประสบการณ์ที่คุณมีควรพิมพ์จดหมายอย่างสวยงามเซ็นด้วยลายมือของคุณเองคุณควรใส่ประวัติการศึกษาและการทำงานลงไปด้วยคุณควรจะให้ผู้เชี่ยวชาญเตรียมทั้งจดหมายสมัครงานและประวัติการศึกษาให้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงสำหรับตลาดแรงงานในปัจจุบันการส่งจดหมายสมัครงานใช้เมื่องานนั้นไม่มีอยู่ในสื่อโฆษณาเป็นวิธีการที่ได้ผลมากแต่วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่รู้แน่ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรและจะยอมเสียเวลาเพื่อเตรียมการนำเสนอคนในตำแหน่งผู้จัดการ มักเป็นคนที่มีสายตากว้างไกลในการมองหาลูกจ้างถ้าเขาได้รับการนำเสนอที่ดีและก่อให้เกิดความสนใจซึ่งจะบ่งบอกความสนใจในตาแหน่งงานของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำได้แบบนี้จะไม่มีใครโยนมันทิ้งเลยเมื่อมีตาแหน่งงานใหม่สิ่งแรกซึ่งผู้จัดการที่ดีทำก็คือเปิดดูแฟ้มประวัติของผู้สมัครงานถ้างานนาเสนอของคุณออกมาดี และน่าประทับใจเมื่อนั้นมันจะปรากฏอยู่ที่นั่นคำถามก็คือเมื่อไหนจ้างต้องการจ้างงานคุณทำให้ตัวเองพร้อมหรือยังถ้าคุณเพียงแต่ส่งจดหมายสมัครงานไปให้ทุกๆคนเพื่อหวังว่าจะได้งานทำแล้วก็มันไม่ได้ผลหรอกวิธีการนี้ไม่เหมาะสมสำหรับคนที่หางานทั่วๆไปแต่เฉพาะผู้ที่ต้องการอาชีพเฉพาะทางจริงๆเท่านั้น จบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียง 4. สมัครงานเป็นการส่วนตัวในบางกรณีอาจจะมีประสิทธิภาพกว่าถ้าใช้การสมัครงานแบบส่วนตัวเพื่อหางานกับนายจ้างล่วงหน้าควรนําเสนอข้อมูลการศึกษาที่สมบูรณ์ซึ่งนายจ้างจะได้พูดคุยกับคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียง ในการสัมภาษณ์งานขณะที่ยังไม่มีการลงประกาศโฆษณานั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรเช่นงานในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะถ้าคุณใช้วิธีนี้โปรดทราบว่าคุณกำลังรบกวนเวลาคนอื่นผู้จัดการบางคนจะไม่ยอมรับเนื่องจากไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทธุรกิจส่วนใหญ่และผู้จัดการบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญ วิธีการนี้จะใช้ได้ผลเฉพาะเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณสามารถทำให้บริษัทประทับใจเป็นพิเศษในตัวคุณถ้าคุณทำให้เกิดความประทับใจได้แล้วเมื่อมีตำแหน่งงานเกิดขึ้นเขาจะนึกถึงคุณก่อนจบข้อมูลจากผู้เรียบเรียง 5. สมัครงานผ่านคนที่รู้จักกันถ้าเป็นไปได้การสมัครงานล่วงหน้ากับนายจ้าง ควรดำเนินการผ่านคนรู้จักที่มีสายสัมพันธ์กันวิธีการนี้ได้เปรียบสำหรับผู้ที่มองหาสายสัมพันธ์กับผู้บริหารและไม่อยากรบกวนเขามากเกินไปการจัดเตรียมข้อมูลประวัติส่วนตัวควรเตรียมประวัติส่วนตัวเป็นอย่างดีเหมือนอย่างที่นักกฎหมายเตรียมสานวนขึ้นศาลถ้าผู้สมัครไม่มีประสบการณ์การเตรียมประวัติส่วนตัวมาก่อน ก็ควรปรึกษาผู้รู้เมื่อธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องการโฆษณาเขาจะจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเข้าใจจิตวิทยาของการโฆษณาเพื่อขายผลิตภัณฑ์ถ้าคุณกำลังขายงานบริการเฉพาะบุคคลคุณก็ควรทำเช่นเดียวกันบทวิจารณ์เมื่อตอนที่นโปเลียนฮิลเขียนบทความส่วนนี้ตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา ยังไม่เลวร้ายมากนักแต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำทำให้หลายต่อหลายคนไม่เคยได้ทำงานที่มั่นคงยังต้องหางานด้วยตัวเองตามลำพังและไม่สามารถหาแหล่งที่จะเรียนรู้วิธีการหางานได้เวลานั้นหนังสือหลายเล่มจึงได้พยายามตีพิมพ์ข้อมูลพวกนี้และมีบริษัทจํานวนมากที่ให้บริการแนะนาและช่วยเหลือในการเตรียมข้อมูลสมัครงาน อย่างไรก็ตามไม่มีหนังสือหรือบทความไหนดีพอทั้งหมดมาเริ่มด้วยสิ่งที่คุณต้องนำเสนอผู้เขียนแนะนำให้คุณเริ่มด้วยการรวบรวมการนำเสนอโดยใช้คำแนะนำต่อไปนี้ขั้นตอนแรกคุณต้องทำต้นฉบับก่อนโดยคนน้นคว้านังสือหรือแหล่งความรู้ที่จะช่วยคุณขายตัวตนของคุณได้ดีขึ้นกว่าเดิม มันขึ้นกับว่าคุณพอใจหรือยงังคุณอาจต้องการคำแนะนำจากมืออาชีพที่เชี่ยวชาญการนำเสนอเราขอเตือนคุณสองข้อข้อแรกมั่นใจหรือไม่ว่างานนำเสนอของคุณจะไม่ดูโหลเหมือนสินค้าที่ออกมาจากโรงงานเหมือนเหมือนกันจากการที่ผู้เขียนได้รับเอกสารสมัครงานมากมายเป็นเวลาหลายปีจึงขอเตือนคุณว่าแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่บางคนก็ยังใช้ข้อความคำและรูปแบบซ้ำๆกับลูกค้าทุกคนและนั่นคือหายนะสําหรับใครก็ตามที่เตรียมประวัติสมัครงานแบบนี้หรือใช้วิธีก๊อปปี้จากหนังสือดังนั้นคุณควรทําตัวเองให้โดดเด่นออกมาคําเตือนข้อที่สองอย่าออกนอกลู่นอกทางเพียงเพราะพยายามที่จะให้ตัวเองโดดเด่นกว่าคนอื่นมีสมดุล ระหว่างการดึงดูดความสนใจของในจ้างกับการที่จะแสดงว่าคุณขยันตั้งใจทำงานถ้าคุณอยู่ในตลาดแรงงานนิวยอร์กแต่กำลังจะหางานในบริษัทที่อยู่ในลอสแองเจลิสการส่งเอกสารสมัครงานไปพร้อมขนมปังเบเ ก, กิลใหม่ๆโดยเซตเอ็ก X ในเช้าวันรุ่งขึ้นอาจจะช่วยสร้างความประทับใจในตัวคุณหรือส่งกระดานปลาลูกดอก ที่มีรูปคุณอยู่ตรงกลางก็ดูดีไม่น้อยความเฉลียวฉลาดเป็นสิ่งดีแต่ความเป็นมืออาชีพสำคัญกว่าอย่าทำให้ตัวเองดูฉลาดแต่ดูไม่เหมือนมืออาชีพจงเตรียมประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานตามคำแนะนำที่ให้ไว้เนื่องจากการค้นหาตำแหน่งงานของคุณจะขึ้นกับสื่อโฆษณารับสมัครงาน และมักมีความจําเป็นต้องส่งเอกสารสมัครงานและประวัติส่วนตัวด้วยการแฟกเอกสารควรใช้คําแนะนําของนโปเลียนฮิลเพื่อเตรียมการนําเสนออย่างที่ฮิลเคยแนะนําไว้ว่าคุณควรเตรียมการนําเสนอแบบมีรายละเอียดเพื่อใช้สําหรับส่งทางไปรษณีย์หรือนําเสนอเป็นการส่วนตัวแต่คุณควรเตรียมเอกสารชุดที่สองซึ่งสั้นและกระชับกว่าและออกแบบให้เหมาะ สำหรับการส่งโดยแฟกซ์พิธีพิถันในการทำเอกสารที่จะส่งทางแฟกซ์ให้สมบูรณ์พร้อมและดู น, น่าสนใจแต่ไม่ควรให้เนื้อหามากเกินกว่า3มแผ่นกระดาษจบบทวิจารณ์ในการนำเสนอคุณต้องใส่ข้อมูลต่อไปนี้ 1. ประวัติการศึกษาควรเขียนให้สั้นแต่ชัดเจนระบุถึงโรงเรียนที่คุณเคยเรียน วิชาที่คุณชอบและถนัดรวมถึงให้เหตุผลด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงเป็นคำแนะนำที่จริงจังและไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยนอกจากบอกข้อมูลการศึกษาแล้วควรบอกถึงประสบการณ์และบุคคลอ้างอิงด้วยในจ้างที่ฉลาดจะตรวจสอบทั้งสามเรื่องนี้ กฎหมายแรงงานเตือนให้ในายจ้างระบุตำแหน่งที่ต้องการเป็นอันดับแรกไว้ให้ชัดเจนเป็นกฎเพื่อแยกแยะระหว่างเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงข้อจำกัดในเรื่องเพศเงื่อนไขในการให้ออกจากงานในการสัมภาษณ์รับสมัครงานจะบอกว่ามีคำถามไหนที่ถามได้และถามไม่ได้รวมถึงเรื่องการเปิดเผยคดีความของนายจ้าง นายจ้างที่ชาญฉลาดที่คุณต้องการจะทำงานด้วยจะตรวจสอบการศึกษาประสบการณ์และบุคคลที่ใช้อ้างอิงของคุณโปรดใส่ใจว่าคุณกำลังให้ข้อมูลที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตการทำงานในอาชีพของคุณถ้าคุณรักษาข้อมูลข่าวสารนี้ไว้ดีไม่ช้าก็เร็วแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงสุดก็อาจกลับมามองข้อมูลเหล่านี้ ถ้ามีเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นทหารก็ต้องถูกให้ออกนักการเมืองก็ถูกไล่ออกแม้แต่ศาสตราจารย์ก็ต้องถูกบังคับให้ออกเรื่องเสื่อมเสียนั้นอาจเกิดเพียงเพราะว่ามีใครบางคนอาจไปดูประวัติส่วนตัวแล้วพบว่ามีการให้ข้อมูลเกินจริงจบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงสองประสบการณ์การทางาน ถ้าคุณมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่จะสมัครแล้วก็จงอธิบายให้ครบถ้วนให้รายชื่อและที่ติดต่อของนายจ้างคนก่อนอย่าลืมระบุความสามารถพิเศษที่คุณมีให้ชัดเจนด้วย 3. บุคคลอ้างอิงในทางปฏิบัติแล้วทุกบริษัทย่อมต้องการรู้พื้นฐานเดิมของลูกจ้างที่มาสมัครงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จงสำเนาจดหมายจากนายจ้างคนก่อนจากครูอาจารย์ที่เคยสอนคุณและจากบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 4. รูปถ่ายของคุณรูปที่ถ่ายโดยมืออาชีพและเพิ่งถ่ายไม่นานเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอตัวคุณเองข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงในตลาดแรงงานปัจจุบันไม่ค่อยใช้ธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ส่วนตัวผู้เขียนทราบดีว่าสิ่งนี้อาจทำให้เกิดความได้เปรียบเมื่อเรามีตำแหน่งงานว่างไม่แปลกที่รูปถ่ายอาจทำให้เราเรียกคนคนนั้นมาสัมภาษณ์ทันทีถ้าคุณมั่นใจว่าตัวเองบุคลิกหน้าตาดีน่าประทับใจคุณก็อาจใช้วิธีการที่ไม่ธรรมดานี้ในการสมัครงานแต่ก็มีข้อเสียอยู่บางคุณอาจจะดูเหมือนกาลังโอ้อวด หรือหลงตัวเองแต่มันก็อาจจะทำให้คุณมีโอกาสมากกว่าคนอื่นจบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงหสมัครตำแหน่งงานที่พิเศษอย่าสมัครงานพื้นพื้นธรรมดาธรรมดาจะทำให้คุณดูไม่เป็นผู้มีคุณวุฒิเฉพาะทาง 6. ระบุคุณวุฒิของคุณลงไปในตำแหน่งงานพิเศษที่คุณสมัคร พร้อมกับให้เหตุผลด้วยว่าทําไมคุณจึงเชื่อมั่นว่าตัวเองมีคุณวุฒิเหมาะสมกับงานส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่สําคัญที่สุดในเอกสารสมัครงานมันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าคุณจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ 7. เสนอตัวในการทดลองงานดูจะเป็นคําแนะนําพื้นพื้นแต่ประสบการณ์ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าได้ลองทําอะไรก่อน โอกาสล้มเหลวจะน้อยลงถ้าคุณมั่นใจในคุณวุฒิของตัวเองสิ่งที่คุณต้องการคือการทดลองงานข้อเสนอนี้อาจทำให้คุณยิ่งมั่นใจในความสามารถของตัวเองในการทำงานที่กำลังจะได้รับการบรรจุหลังการทดลองงานเจ้านายในอนาคตอาจจะยิ่งมั่นใจในการตัดสินใจจ้างคุณทำงานและให้ตาแหน่งที่ต้องการข้อมูลเพิ่ ม, เ ต, มเติมจากผู้เรียบเรียง อย่างที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปในบทที่10ความมุ่งมั่นเมื่อคุณอ่านเรื่องราวของการสมัครงานของนโปลีียนฮิลกับบรูฟาสเอเยอร์ฮิลให้คำแนะนำนี้บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเองโชคไม่ดีนักที่เวลาได้เปลี่ยนไปมากทำให้เนื้อหาอาจไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในสังคมยุคปัจจุบันกฎหมายแรงงานสมัยใหม่ และทำเนียมปฏิบัติในวงการธุรกิจนายจ้างมักไม่ได้ให้มีการทดลองงานตามข้อเสนอของคุณแต่หลายๆบริษัทก็มีโครงการฝึกหัดที่อนุญาตให้ในายจ้างทดสอบความสามารถของลูกจ้างกับงานที่จะทำจบข้อมูลของผู้เรียบเรียง8รอบรู้ในธุรกิจของนายจ้างในอนาคตก่อนสมัครงานคุณควรทำการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับธุรกิจนั้นและนำความรู้ที่คุณมีไปประยุกใช้นั่นจะทำให้เกิดความประทับใจเพราะเป็นการบ่งบอกว่าคุณมีจินตนาการและสนใจในงานที่จะทำอย่างจริงจังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงเมื่อคุณทำเช่นนี้แล้วควรตระหนักไว้ในใจเสมอว่าคุณกำลังจะพูดคุยกับคนซึ่งรู้เรื่องธุรกิจเป็นอย่างดี แม้จะศึกษาวิจัยมาอย่างมากมายดีที่สุดที่คุณทำได้คือแค่รู้จักธุรกิจของเขาหากคุณพยายามรู้หรือทำความรู้จักมากเกินไปมันอาจส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้และเปิดเผยความจริงว่าคุณรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพียงผิวเผินเท่านั้นถ้าคุณไม่พร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมเฉพาะและต้องอาศัยประสบการณ์แล้วลวก็ อย่าอวดดีจงใช้ความรู้ที่คุณมีในการระบุว่าคุณต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้งานด้วยตัวเองและคุณมีความสนใจงานนั้นจริงๆแต่อย่าพยายามบอกว่าที่นายจ้างของคุณว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอย่างไรต่อไปจบข้อมูลจากผู้เรียบเรียงโปรดจำไว้ว่าคนที่รู้กฎหมายมากที่สุดอาจไม่ใช่นักกฎหมายแต่คนที่เตรียมตัวมาดีที่สุด มักเป็นผู้ชนะถ้าคุณเตรียมตัวมาอย่างดีและนำเสนอออกมาคุณเดินมาเกินครึ่งทางของชัยชนะแล้วอย่ากลัวว่าการนำเสนอจะยาวเกินไปในจ้างสนใจที่จะจ่ายค่าบริการของผู้สมัครที่มีคุณวุฒิดีเหมือนกับคุณเพื่อการจ้างงานที่มีความมั่นคงความเป็นจริงความสำเร็จของในจ้างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เกิดจากความสามารถในการเลือกคนที่มีคุณวุฒิสูงดังนั้นเขาจึงต้องการข้อมูลทั้งหมดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเมื่อจะส่งประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานไม่ควรมีความยาวเกินสามหน้ากระดาษและควรใช้ถ้อยคําต่อไปว่าคุณยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้รายละเอียดมากกว่านี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจบ ข้อมูลจากผู้เรียบเรียงจงจำไว้อีกสิ่งหนึ่งว่าความประณีตเรียบร้อยในการเตรียมประวัติและใบสมัครงานจะบ่งบอกความอุตสาหะภาคเพียรพยายามของคุณนักขายที่ประสบความสำเร็จจะเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะให้บริการเขาตรหนักว่าความประทับใจครั้งแรกจะยืนยาวไปอีกนานการนำเสนอตัวเองก็คือการนำเสนอการขายภาพลักษณ์ของตัวคุณนั่นเอง ดังนั้นจงแต่งตัวให้ดูดีแล้วมันจะทำให้ว่าที่นายจ้างของคุณเห็นความโดดเด่นของคุณถ้าตำแหน่งงานที่ต้องการมีค่ามันก็คุ้มค่าที่จะให้การเอาใจใส่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นถ้าคุณสามารถขายตัวตนของคุณโดยแสดงความสามารถเฉพาะตัวออกมาให้เห็นได้คุณก็อาจจะได้เงินเดือนตั้งต้นมากกว่าที่คุณสมัครงานอย่างธรมธรมดาธรรมดา ตามรูปแบบปกติเมื่อประวัติส่วนตัวของคุณเสร็จเรียบร้อยคุณควรเตรียมสำเนาประวัติสำหรับบริษัทอื่นหรือคนอื่นที่จะไปสมัครแน่นอนว่าประวัติจะช่วยเรียกร้องความสนใจพิมพ์อย่างประณีตสะกดอักขระอย่างถูกต้องลงบนกระดาษชั้นดีควรติดรูปถ่ายของคุณลงบนหน้ากระดาษหนึ่งหน้าเมื่อต้องสมัครงานหลายบริษัท คว ร, ระเตรียมเอกสารที่มีชื่อบริษัทที่จะไปสมัครให้ถูกต้องโดยแยกเอกสารออกจากกันถ้าคุณมองหางานผ่านตัวแทนจัดหางานควรมีสำเนาการนำเสนอตัวเองที่ใช้สำหรับตัวแทนโดยเฉพาะจะช่วยให้ทั้งว่าที่นายจ้างและตัวแทนจัดหางานพึงพอใจมากกว่าผมเคยช่วยเตรียมงานนำเสนอตัวเองให้กับลูกค้าที่สะดุดตา และแตกต่างจากคนทั่วๆไปทำให้พวกเขาได้รับการจ้างงานโดยไม่ต้องสัมภาษณ์เลยถ้าคุณอยากเป็นอย่างนี้บ้างจงทำตามคำแนะนำทุกตัวอักษรและใช้จินตนาการของคุณปรับปรุงให้ดีขึ้นบทวิจารณ์ทุกวันนี้มีร้านขายอุปกรณ์สำนักงานมีกระดาษแฟ้มเอกสารและสื่อการนำเสนอหลากหลายให้เราเลือกใช้ จงนำมันมาประกอบกันให้สวยงามและดูเป็นมืออาชีพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนี้ถ้าคุณจัดเตรียมแผ่นกระดาษด้วยวิธีเย็บเอกสารที่มุมกระดาษมันก็จะดูธรรมดาเกินไปเพียงแต่คุณใช้การสร้างสารรค์สักเล็กน้อยคุณก็จะไม่มีปัญหาในการเตรียมการนำเสนอตัวเองในการสมัครงานเลยเพื่อให้ได้ตำแหน่งงานเหมาะสมที่คุณมองหาและนอกจากนี้ ยังช่วยสะท้อนบุคลิกภาพของคุณอีกด้วยจบบทวิจารณ์ทำอย่างไรจึงจะได้งานที่ปรารถนาทุกคนย่อมทำงานอย่างมีความสุขเมื่อได้ทำงานที่เหมาะกับตัวเองจิตตกรรักการวาดภาพระบายสีช่างฝีมือรักการใช้มือทำงานนักเขียนก็รักการเขียนคนที่มีพรสวรรค์ด้านอื่นน้อยมักจะชอบทำงานในแวดวงธุรกิจ และอุตสาหกรรมถ้าสหรัฐอเมริกามาถูกทางเราจะมีอาชีพที่หลากหลายมากมาย 1. ่ตัดสินใจให้แน่ชัดว่างานแบบไหนที่คุณต้องการถ้างานนั้นยังไม่มีคุณสามารถสร้างสรรค์มันขึ้นมาเองได้ 2. เลือกบริษัทหรือคนที่คุณอยากทำงานด้วย 3. จงเรียนรู้ว่าที่ในจ้างของคุณทั้งด้านการบริหารเรื่องส่วนตัว รวมถึงโอกาสในการก้าวหน้า 4. วิเคราะห์ตัวคุณเองพรสวรรค์ความสามารถพิเศษประเมินสิ่งที่คุณมีวางแผนหาหนทางข้อได้เปรียบความสามารถในการให้บริการพัฒนาการหรือไอเดียดีๆที่คุณเชื่อว่าตัวเองมีเพื่อความสำเร็จในอนาคต 5. ลืมคำว่างานไปก่อนลืมว่ายังมีตาแหน่งงานเปิดรออยู่หรือไม่ลืมคาพูดทั่วๆไปว่า คุณมีงานให้ผมทําไหมแต่จงใส่ใจแต่สิ่งที่คุณจะให้ 6. เมื่อคุณมีแผนการในใจเขียนลงไปในกระดาษอย่างปราณีตและมีรายละเอียดครบถ้วนเจ็ดนำเสนอมันต่อคนที่เหมาะสมและมีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วคนอื่นๆที่เหลือจะตามมาเองโดยอัตโนมัติทุกบริษัทย่อมมองหาคนที่จะให้สิ่งที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นความคิดดีๆบริการหรือสายสัมพันธ์ ที่จะช่วยกันทุกบริษัทมีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่มีแผนปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทขั้นตอนนี้อาจกินเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์แต่จะทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของรายได้ความก้าวหน้าและการเป็นที่รู้จักซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ประหยัดเวลาทำงานไปหลายปีด้วยการลงทุนเพียงน้อยนิดอาจมีข้อได้เปรียบมากมายแต่หลักๆคือคุณจะประหยัดเวลายอย่างน้อย ก็หนึ่งถปีในการก้าวขึ้นสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกคนไม่ว่าเพิ่งเริ่มต้นหรือเดินมาครึ่งทางก็ล้วนแล้วแต่ต้องวางแผนการอย่างรอบครอบและตั้งใจผลทางใหม่แห่งการตลาดการบริการผู้คนทั้งชายหญิงที่ทำการตลาดการบริการของพวกเขาเองย่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างความสัมพันธ์ในอนาคต จะเป็นไปในลักษณะของความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างและองค์กรมากขึ้นในอดีตลูกจ้างและนายจ้างมักใช้กลไกการต่อรองระหว่างกันไม่ค่อยคำนึงถึงความจริงว่าเขากำลังต่อรองภายใต้ความสูญเสียของบุคคลที่สคือองค์กรที่เขาทำงานนั่นเองทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรคิดใหม่ว่า ต่างคนต่างก็เป็นลูกจ้างที่ทุ่มเททำงานให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบทวิจารณ์ในย่อหน้าและเนื้อหาต่อไปนโปเลียนฮิลจะแสดงวิสัยทัศน์ต่อทิศ ท, ทางของวงการธุรกิจในอนาคตของสหรัฐอเมริกาคุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่เขาชี้นำบริษัทฐานหินและแกส๊สและสามารถนำไปประยุกใช้กับการผูกขาดในวงการโทรศัพท์ ต่อเนื่องไปถึงวงการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และบริษัทอินเทอร์เนต็ตไปสู่ตัวแทนเคเบิลทีวีเมื่อถูกผู้แข่งขันเสนอโทรทัศน์ดาวเทียมเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจจะทำให้คุณต้องปรับตัวเองเช่นกันทั้งนี้ก็เพื่อความสำเร็จที่คุณมองหาจบบทวิจารณ์ในช่วงเศรษฐกิจตกต่าผมใช้เวลาหลายเดือนที่เมืองถ่านหินแอนทราไซา์ในเพนซิลเวเนีย เพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ที่ได้ทำลายวงการอุตสาหกรรมฐานหินจนหมดสิน้นผู้บริหารเหมืองและสาภาพแรงงานกำลังต่อรองกันเรื่องสัญญาแรงงานกันอย่างหนักค่าใช้จ่ายในการต่อรองไปลงที่ผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาฐานหินอย่างไรก็ตามพวกเขาได้เห็นผลจากการกระทำของเขาในที่สุดความล่าช้าและราคาที่สูงขึ้นกลับไปเปิดตลาด ให้ผู้แข่งขันรายใหม่เขาได้สร้างธุรกิจใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจให้กับนักอุตสาหาการที่ผลิตเตาหลอมที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและผู้ผลิตน้ำมันประสบการณ์เดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นกับบริษัทแก๊สด้วยพวกเรายังจำเวลาที่คนอ่านมิเตอร์แก๊สทุบประตูอย่างรุนแรงจนวงแตกเมื่อประตูเปิดออกเขาก็าเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญและตะคอกด้วยสีหน้าบึ้งตึงว่า พวกคุณให้ผมรออะไรอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงปัจจุบันชายผู้นั้นกลายเป็นสุภาพบุรุษที่มักจะพูดว่ายินดีรับใช้ครับกว่าที่บริษัทแก๊สจะได้เรียนรู้ว่าพนักงานมิเตอร์แก๊สผู้เกรียวกราดได้ทำความไม่พอใจให้ผู้บริโภคคู่แข่งของเขาคือเซลแมนบริษัทน้ามันผู้สุภาพเรียบร้อย กดีก้าวเข้ามาและทําธุรกิจแทนที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราเป็นอย่างที่เราอยู่และเป็นอย่างที่เราทําเพราะพฤติกรรมของเรานั่นเองถ้ามีหลักการของเหตุและผลที่ใช้ในการควบคุมธุรกิจการเงินและการคมนาคมเราก็สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้เพื่อควบคุมคนและกําหนดสภาวะทางเศรษฐกิจอัธยาศัย และการบริการเป็นสิ่งสาคัญของการค้าในยุคปัจจุบันมีการนําสิ่งนี้ไปประยุกใช้กับคนที่ทำการตลาดงานบริการเฉพาะบุคคลเพราะเมื่อวิเคราะห์ให้ถึงที่สุดแล้วแท้ที่จริงคุณถูกว่าจ้างโดยผู้บริโภคถ้าคุณให้บริการไม่ดีทั้งตัวคุณและนายจ้างมีราคาที่ต้องจ่ายให้กับการสูญเสียสิทธิ์ในการบริการนั้นอะไรคือการจัดอันดับ d Qs ของคุณ ต่อจากนี้ไปจะได้อธิบายอย่างละเอียดถึงสาเหตุของความสําเร็จในการทำการตลาดการบริการมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนถ้าไม่มีการศึกษาเหตุปัจจัยวิเคราะห์ทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้แล้วจะไม่มีผู้ใดสามารถทำการตลาดการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องทุกคนไม่ว่าชายหญิงล้วนต้องพยายามขายบริการเฉพาะบุคคล ตัวกำหนดค่าจ้างและระยะเวลาในการจ้างงานก็คือคุณภาพและปริมาณของบริการและจิตวิญญาณที่ทุ่มเทลงไปในงานในการทำการตลาดสำหรับงานบริการเฉพาะบุคคลให้มีประสิทธิภาพนั้นซึ่งหมายถึงการตลาดที่มั่นคงราคายุติธรรมภายใต้บริการที่น่าประทับใจคุณต้องทำตามสูตร w บบ Q S ซึ่งหมายถึงคุณภาพ Qual บวกปริมาณ Quantity และบวกด้วยจิตวิญญาณสปิริ t แห่งความร่วมมือร่วมใจและบริการของนักขายชั้นยอดจงจดจำสูตร WQS ไว้แต่ทำให้มากกว่าจดจำนั่นคือทำจนติดเป็นนิสัยลองมาวิเคราะห์สูตรเพื่อทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงคุณภาพของการบริการหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาทุกรายละเอียดสายสัมพันธ์ที่ดีโดยความมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความพร้อมที่จะให้สิ่งซึ่งดีกว่าปริมาณของการบริการหมายถึงนิสัยในการให้บริการทั้งหมดที่สามารถจะให้ได้ตลอดเวลามีความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนปริมาณการบริการด้วยการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเน้นย้ำอีกครั้งว่าให้ทําจนเป็นนิสัยจิตวิญญาณของการบริการหมายถึง นิสัยอ่อนโยนประสานสัมพันธ์ซึ่งจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจของผู้ร่วมงานและลูกจ้างคนอื่นๆการมีคุณภาพและปริมาณของการบริการไม่เพียงพอที่จะรักษาตลาดไว้ได้จิตวิญญาณแห่งการบริการเป็นปัจจัยสำคัญของค่าตอบแทนที่สูงและระยะเวลาที่จ้างงานที่ต่อเนื่องยาวนาน แอนดรูคาเนกีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยอธิบายปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการทำการตลาดสำหรับงานบริการเฉพาะบุคคลเขาย้ำแล้วย้ำอีกถึงการประสานสัมพันธ์เขาเน้นย้ำความจริงที่ว่าการที่เขาจะไม่เก็บรักษาคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะทำงานได้ปริมาณมากเท่าใดทางานได้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากเพียงใดแต่ขึ้นกับว่า คนคนนั้นทํางานโดยมีจิตวิญญาณแห่งการประสานสัมพันธ์หรือไม่คารนิกียยืนยันกับคนที่ทํางานกับเขาให้มีอัธยาศัยที่ดีต่อกันและกันเพื่อพิสูจน์ว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คานิกียได้ช่วยคนที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ให้ร่ำรวยขึ้นส่วนคนที่ไม่ทําตามก็ถูกขัดแยกออกไปจากกลุ่มมีการเน้นย้ําถึงความสําคัญของบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ เพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการด้วยจิตวิญญาณถ้าคุณมีบุคลิกภาพที่น่าประทับใจและให้บริการด้วยจิตใจประสานสัมพันธ์สิ่งมีค่านี้จะช่วยเติมเต็มสิ่งซึ่งคุณขาดทั้งคุณภาพและปริมาณของบริการไม่มีสิ่งใดจะสามารถแทนที่ความประทับใจได้มูลค่าต้นทุนของการบริการ บุคคลที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายงานบริการเฉพาะบุคคลก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกันกับคนที่ขายของที่เป็นวัตถุล้วนแล้วแต่ใช้กฎแบบเดียวกันในการขายสินค้าผมได้เน้นย้ำตรงนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่หาเลี้ยงชีพด้วยการขายงานบริการของตัวเองเข้าใจผิดว่าพวกเขาอยู่นอกกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบของการค้าขายสินค้าในวงการตลาด ยุคแห่งการไปเพื่อเอามาถูกแทนที่ด้วยการไปเพื่อให้มูลค่าต้นทุนในการให้บริการของคุณถูกกําหนดโดยรายได้ที่คุณสร้างด้วยการทําการตลาดให้กับบริการของคุณการประเมินคุณค่าสําคัญแห่งพลังสมองของคุณอาจทําได้โดยการประเมินสิ่งต่อไปนี้เงิน ปริมาณเงินทุนสามารถนำไปฝากธนาคารและได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินไม่ได้มีค่ามากไปกว่าสมองและดูจะน้อยกว่ามากด้วยซ้ำถ้าพลังสมองของคุณถูกตีค่าเป็นเงินดังนั้นคุณควรให้ยืมพลังสมองของคุณเงินลงทุนในอัตราเดียวกับที่ธนาคารปล่อยเงินให้กู้นั่นหมายถึงรายได้ของคุณในหนึ่งปีเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ธนาคารได้จากการปล่อยกู้ดอกเบีย้ยที่ได้มาจากลูกค้าดังนั้นคุณสามารถคำนวณมูลค่าต้นทุนพลังสมองของคุณโดยใช้สูตรดังนี้หารหนึ่งรด้วยอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ของธนาคารแล้วคูณด้วยรายได้ต่อปีของคุณตัวอย่างเช่นสมมติว่าดอกเบีย้ยเงินกู้เท่ากับหเปอร์เซ็นและรายได้ต่อปีของคุณคือห 0,000 ่นดอลลาร์สูตรคำนวณเป็นดังนี้ หนึ่งร้อยหารด้วยห้าเท่ากับยี่สิบและยี่สิบคูณด้วยห้า0มื่นเท่ากับหนึ่งล้านดอลลาร์ดังนั้นถ้าคุณให้ยืมพลังสมองของคุณต้นทุนของคุณโดยอัตราที่ธนาคารให้กู้เงินดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์มูลค่าพลังสมองของคุณคือหนึ่งล้านดอลลาร์ถ้าสามารถทำการตลาดให้กับสมองที่มีศักยภาพได้มันจะเป็นต้นทุนที่มีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าต้นทุนสินค้าใด เป็นความจริงที่ว่าในภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำสมองเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถถูกทำให้เสื่อมค่าได้และไม่สามารถขโมยหรือใช้ให้หมดไปได้ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าเงินจะจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจแต่มันอาจมีค่าเพียงแค่กองทรายถ้าไม่ได้ผสมผสานด้วยศักยภาพแห่งสมองสาเหตุสำคัญแห่งความล้มเหลว31ประการ เรื่องน่าเศร้าที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นกับผู้คนทั้งชายและหญิงที่พยายามอย่างตั้งใจจริงแต่ล้มเหลวเรื่องน่าเศร้านี้มักเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวเทียบกับคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จผมได้สิทธิพิเศษในการวิเคราะห์เจาะลึกผู้คนนับพันคนทั้งชายและหญิงพบว่า 98% เซของบุคคลเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มล้มเหลว การวิเคราะห์ของผมพิสูจน์ว่ามีหลักอยู่13ประการที่ทำให้ผู้คนร่ำรวยมีโชคลาภหลักการแห่งความสำเร็จทั้ง13ประการก็คือเรื่องในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้และมีเหตุผลหลัก31ประการที่ทาให้ล้มเหลวสาเหตุทั้ง31ประการถูกจัดเรียงไว้ในหน้า175นี้แล้วขณะที่คุณอ่านแต่ละข้อจงประเมินตัวเองข้อต่อข้อจะช่วยคุณค้นพบว่า ตนเองมีเหตุปัจจัยของความล้มเหลวหรือความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน 1. พื้นฐานทางพันธุกรรมไม่ดีสำหรับคนที่เกิดมาพร้อมกับพลังสมองที่จำกัดก็คงทำอะไรได้ไม่มากนะักนี่เป็นเพียงหนึ่งในสาเหตุ31ประการแห่งความล้มเหลวที่อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ปรัชญาแนวคิดของผมมีวิธีที่สามารถช่วยได้อย่างเดียวคือการระดมความคิด 2. ขาดเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนไม่มีหวังที่จะประสบความสำเร็จถ้าคนนั้นไม่มีจุดหมายและเป้าหมายที่แน่นอน98อร์เซนของผู้คนที่ผมวิเคราะห์ล้วนไม่มีเป้าหมายแบบนี้บางทีนี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลว 3. ขาดความทะเยอทะยานที่จะตั้งเป้าให้เกินธรรมดาผมไม่สามารถให้ความหวังอะไรได้กับคนที่ไม่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต และไม่เต็มใจจะลงทุน 4. การศึกษาไม่เพียงพอนี่เป็นอุปสรรคที่ผู้อื่นเอาชนะได้ง่ายประสบการณ์พิสูจน์ว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาดีมีโอกาสดีกว่าคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองผู้มีการศึกษาควรได้ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยมากกว่าหนึ่งสาขาผู้ที่มีการศึกษาจะเรียนรู้วิธีการที่จะทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการในชีวิตโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น การศึกษาไม่ได้ใส่ความรู้เข้าไปให้เรามากนักหากแต่ความรู้จะต้องถูกนำไปประยุกใช้อย่างสม่าเสมอสิ่งที่คุณรู้ไม่สำคัญมากนักแต่การนำสิ่งซึ่งคุณรู้ไปปฏิบัตินั้นสำคัญมากกว่า 5. ้าขา ร, ระเบียบวินัยในตัวเองระเบียบวินัยมาจากการควบคุมตัวเองนั้นหมายความว่าคุณต้องควบคุมสิ่งที่ไม่ดีในตัวคุณก่อนที่คุณจะสามารถควบคุมสภาวะอื่น คุณต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนการจัดการกับตัวเองเป็นงานยากที่สุดที่คุณเคยทําถ้าไม่สามารถเอาชนะตัวเองได้คุณก็จะไม่สามารถชนะผู้อื่นได้เมื่อคุณยืนอยู่หน้ากระจกคุณอาจเห็นทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดและศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ 6. สุขภาพไม่ดีไม่มีใครชื่นชมความสําเร็จของตัวเองได้ถ้าสุขภาพไม่ดีต้นเหตุที่ทําให้เราสุขภาพไม่ดีมีมากมายแต่สาเหตุหลักๆคือ กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเกินไปลักษณะนิสัยของความคิดที่ไม่ดีหรือคิดเชิงลบใช้การมารมในทางที่ผิดและหมกมุ่นเรื่องการมารมมากจนเกินไปขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสมได้อากาศบริสุทธิ์ไม่เพียงพอจากการหายใจที่ไม่เหมาะสม 7. อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็กถ้ากิ่งไม้งองิ่แล้วลาต้นจะเติบโตได้อย่างไร ผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งมีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรมมักเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมในวัยเด็ก 8. การผัดวันประกันพรุ่งนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของความล้มเหลวการผัดวันประกันพรุ่งอยู่ในตัวตนของเราทุกคนการรอคอยจะทำลายโอกาสแห่งความสำเร็จคนเราส่วนใหญ่จะนำพาชีวิตไปสู่ความล้มเหลวก็เพราะเรามัวแต่รอเวลาที่เหมาะสม ในการเริ่มต้นทำสิ่งที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเดีย๋ยวรอเพราะเวลาไม่เคยรอใครเริ่มต้นจากจุดที่คุณยืนอยู่สั่งตัวเองให้ทำงานด้วยเครื่องหมายเครื่องมือเท่าที่คุณมีเมื่อคุณก้าวเดินต่อไปคุณก็จะมีเครื่องหมายเครื่องมือที่ดีขึ้นเองก้าวขาดความมุ่งมั่นคนเราส่วนใหญ่มักเป็นผู้เริ่มต้นที่ดีในทุกสิ่งแต่มักทำไม่เสร็จคนที่มีแนวโน้มจะทอแท้ เป็นสัญญาณแรกของความพ่ายแพ้ไม่มีอะไรมาแทนที่ความมุ่งมั่นได้คนที่มุ่งมัน่นและมีความภาคเพียรพยายามจะพบว่าความล้มเหลวจะอ่อนล้าและถอยหนีจากเขาไปในที่สุดความล้มเหลวไม่มีทางเอาชนะความมุ่งมั่นได้ 10. บุคลิกภาพไม่ดีสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพไม่ดีเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นย่อมไม่มีหวังในความสำเร็จ ความสำเร็จมาจากการประยุกต์ใช้พลังอำนาจและพลังก็มาจากความร่วมมือร่วมใจของผู้อื่นบุคลิกภาพที่ไม่ดีจะทำให้ความร่วมมือไม่เกิดขึ้น 11. ขาดการควบคุมแรงกระตุ้นทางเพศแรงขับทางเพศเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังที่สุดในการผลักดันมนุษย์ให้ทำสิ่งต่างๆถ้าเราควบคุมมันได้และเปลี่ยนมันไปในทางที่สร้างสารรค์ มันก็จะเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังที่สุด 12. ไม่สามารถควบคุมความปรารถนาในการเสี่ยงโชคนิสัยการพนันขันต่อได้ผลักดันให้ผู้คนนับล้านล้มเหลวหลักฐานที่พบก็คือการพังทลายของตลาดหุ้นวอลสตรีทในปีคิศครา1929เมื่อคนนับล้านพยายามทำเงินด้วยการพนันและเก่งกำไรในตลาดหุ้นบทวิจารณ์ เพื่ออธิบายให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับตลาดหุ้นและการซื้อขายแบบมาจิ้นได้เข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นพังทลายในปีคิเตศกราต1929สิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือก่อนภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนต่างก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจขณะที่ธุรกิจที่กาลังบูมผู้คนเข้าไปลงทุนในบริษัทต่างๆและร่ารวยเพียงชั่วข้ามคืน เมื่อคนชั้นกลางเห็นโอกาสในการทำเงินเขาก็ต้องการกระโดดเข้าไปร่วมด้วยและเกิดมีหนทางให้เขาทำเช่นนั้นได้คนชั้นกลางที่ไม่มีความพร้อมจะใช้เงินสดซื้อก็สามารถซื้อหุ้นได้โดยโบรกเกอร์จะอนุญาตให้ลูกค้าสั่งซื้อหุ้นได้ด้วยวิธีมาจิน้นโดยจ่ายเงินขั้นต้นจำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามมีข้อตกลงในการสั่งซื้อ คือเมื่อบ roker เรียกวงเงินที่ให้กลับคืนซึ่งพวกเขาเรียกเมื่อไหรก็ได้ลูกค้าต้องนำเงินสดที่เหลือมาจ่ายทันทีให้ครบตามวงเงินที่ใช้สั่งซื้อหุ้นไปมันคือสิ่งซึ่งหิวเรียกว่าการพนันในตลาดหุ้นคนชั้นกลางเหล่านี้จึงเลิกลงทุนในบริษัทเขากำลังเดิมพันอนาคตอันสดใสในใจของชนชั้นกลางพวกนี้คิดว่าแค่เขาอดออมก็เพียงพอที่จะนาไปจ่ายค่ามาจินได้ เพราะเป็นเงินส่วนน้อยของมูลค่าหุ้นทั้งหมดและเมื่อราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปเขาก็จะขายได้เงินมากมายเพียงพอที่จะจ่ายเงินคืนให้โบรโเกอร์จนครบเท่ากับราคาที่สั่งซื้อแล้วพวกเขาก็จะได้กําไรจากส่วนต่างมันได้ผลตราบใดที่ราคาหุ้นยังสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ทันทีที่ตลาดหุ้นตกต่ำบรโอเกอร์ก็เรียกวงเงินกลับคืนคนที่ซื้อหุ้นในราคาซึ่งเขาไม่มีกําลังจะจ่ายไหว ก็ขาดกระแสงเงินสดทันทีและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนชั้นกลางจึงกลายเป็นแมงเมาจากภาวะตลาดหุ้นตกตำ่ำในปีคิเตศักราช1929นั่นเพราะเขาพนันด้วยเงินที่ตัวเองไม่มีด้วยการซื้อหมาจีนนั่นเองจบบทวิจารณ์13ขาดพลังในการตัดสินใจคนที่ประสบความสำเร็จจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแต่คนที่ล้มเหลวจะตัดสินใจช้ามากและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆอย่างรวดเร็วความไม่กล้าตัดสินใจและการผัดวันประกันพรุ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเมื่อเจอสิ่งหนึ่งมามักจะพบอีกสิ่งหนึ่งอยู่ด้วยกันจงทำลายมันทั้งคู่ก่อนที่มันจะเป็นพันธนาการคุณไว้กับความล้มเหลว 14. มีข้อใดข้อหนึ่งของความกลัวพื้นฐาน6ประการ กลัวความยากจนถูกตำหนิสุขภาพไม่ดีขาดรักความชราและความตายคุณจะได้พบการวิเคราะห์เจาะลึกความกลัวพื้นฐาน6ประการนี้ในบทสุดท้ายการที่คุณจะทำการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพคุณจะต้องจัดการความกลัวเหล่านี้ไปซะก่อน15เลือกคู่ครองผิดนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวที่พบได้บ่อยความสัมพันธ์ที่ดีของคู่สมรส จะทำให้คนเราแสดงความประพฤติออกมาด้วยความรักถ้าสัมพันธภาพนี้ไม่ผสมผสานกลมกลืนความล้มเหลวจะตามมาและยิ่งกว่านั้นมันจะเป็นรูปแบบความล้มเหลวที่ทำลายความทะเยอทะยานของเรา16รอบคอบมากเกินไปคนที่ไม่เฉวยโอกาสจะได้แต่สิ่งที่คนอื่นเขาไม่เลือกและเหลือทิ้งไว้เท่านั้นความรอบคอบมากเกินไปเลวร้ายพอๆพกับไม่รอบคอบ จงสกัดกั้นทั้งสองอย่างนี้ออกไปเพราะชีวิตนี้เต็มไปด้วยโอกาส17เลือกเพื่อนร่วมธุรกิจผิดเป็นความล้มเหลวทางธุรกิจที่พบบ่อยที่สุดเมื่อคุณจะทำการตลาดบริการเฉพาะบุคคลควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการคัดเลือกนายจ้างที่สามารถสร้างแรงจูงใจชาญฉลาดและประสบความสำเร็จเราจะได้เอาอย่างและเรียนแบบคนซึ่งใกล้ชิดเราที่สุดจงเลือกนายจ้าง ที่ควรคู่กับการลอกเรียนแบบ 18. ความงมงายและมีอคติความงมงายเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวมันเป็นสัญญาณของความไม่กล้าเผชิญความจริงคนที่จะประสบความสำเร็จได้ย่อมใจกว้างและไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใด 19. เลือกวิชาชีพผิดถ้าคุณไม่ชอบงานที่ทำคุณก็จะไม่สามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทางานได้ ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการทำการตลาดสำหรับงานบริการเฉพาะบุคคลก็คือการเลือกอาชีพที่คุณอยากจะทุ่มเทหัวใจให้ถึงแม้ว่าเงินตอบแทนหรือสถานการณ์รอบๆตัวของคุณจะไม่เอื้ออำนวยในการทำงานแต่ก็จะไม่มีใครหยุดยั้งคุณในการพัฒนาแผนการเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เป็นจริงได้บทวิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญในยุคปัจจุบันเห็นด้วยกับคำพูดของนโปเลียนฮิวที่ว่า การได้ค้นพบงานที่คุณรักเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและเป็นรางวัลที่แท้จริงของชีวิตแนวโน้มนี้เข้าได้ดีกับทัศนคติแนวใหม่ที่สร้างแรงจูงใจให้กับหนังสือจำนวนหนึ่งได้แก่หนังสือ Feel the Fear and Do It Anyway ของซูสานเจฟเฟอร์ Wishcraft ของ Barbara s h e ชและ Do What You Love the Money Will Follow ของมาชาซิเนต้าหนังสือทั้งสามเล่มนี้กลายเป็นหนังสือขายดีเพราะแตกแขนงออกมาจากแนวคิดเดียวกันจบบทวิจารณ์ 20. สไม่มีใจจดจ่อต่องานที่ทำทำการค้าหลายๆอย่างอาจไม่ดีเลยสักอย่างจงใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับเป้าหมายหลักที่ชัดเจน 21. ออุปนิสัยใช้จ่ายอย่างขาดสติ คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณกลัวความยากจนอยู่ตลอดเวลาจงสร้างนิสัยประหยัดอย่างเป็นระบบโดยเก็บออมเงินจากรายได้ในอัตราส่วนที่เป็นเปอร์เซนต์ที่แน่นอนเงินในธนาคารจะเป็นหลักประกันให้มั่นใจในการต่อรองการขายบริการเฉพาะบุคคลถ้าไม่มีเงินคุณก็ต้องทาแต่ในสิ่งที่ถูกสั่งให้ทํา22ขาดความกระตือรือร้นถ้าปราศจากความกระตือรือร้น คุณจะไม่สามารถทำให้เกิดความน่าเชื่อถือยิ่งไปกว่านั้นความกระตือรือรน้นติดต่อกันได้ง่ายคนที่มีความกระตือรือรน้นภายใต้การควบคุมจะได้รับการต้อนรับจากทุกกลุ่มชน23การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไปคนที่ไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆยอมไม่ก้าวหน้าการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหมายความว่าคุณได้หยุดการเรียนรู้ รูปแบบความคิดอันแตกต่างซึ่งอันตรายที่สุดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเชื้อชาติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง 24. การไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจการไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจทำให้เกิดความเสียหายมากในเรื่องที่เกี่ยวกับการกินมากเกินควรแอลกอฮอล์ยาและเพศสัมพันธ์การตามใจตัวเองมากเกินไปในเรื่องเหล่านี้ เป็นอันตรายต่อความสำเร็จ 25. ไม่สามารถทำงานร่วมมือกับผู้อื่นคนจำนวนมากสูญเสียตำแหน่งงานและโอกาสสำคัญในชีวิตเนื่องจากข้อบกพร่องนี้มากกว่าเหตุผลอื่นใดมันเป็นข้อบกพร่องที่ไม่มีนักธุรกิจหรือผู้นำคนใดทนได้ 26. ได้ครอบครองอำนาจที่ไม่ได้มาจากความพยายามของตัวเองลูกชายและลูกสาวของพ่อแม่ผู้มั่งคั่ง และคนที่ได้รับเงินมรดกพลังอำนาจในมือของคนที่ไม่ได้สะสมมาด้วยตัวเองมักจะสูญสลายไปได้ง่ายด้วยเร็วเกินไปอันตรายยิ่งกว่ายากจน 27. จงใจทุจริตไม่มีอะไรแทนที่ความซื่อสัตย์สุจริตได้คุณอาจไม่ซื่อสัตย์ชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่เกิดความเสียหายเพราะสถานการณ์พาไปทําให้คุณควบคุมไม่ได้แต่ถ้าคุณเลือกที่จะทุจริต ไม่ช้าก็เร็วผลกรรมนั้นจะตามคุณทันและจะต้องชดใช้ด้วยความเสียชื่อเสียงบางทีอาจจะถึงกับสูญเสียอิสรภาพและเสรีภาพเลยก็เป็นได้28ถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นและหยิ ง, งยะโสคุณลักษณะเหล่านี้จะทำให้คนอื่นหลีกหนีไม่อยากเข้าใกล้และสูญเสียโอกาสแห่งความสำเร็จิคาดเดาแทนที่จะคิดคนส่วนใหญ่ มักไม่ใส่ใจหรือขี้เกียจที่จะคิดค้นหาข้อเท็จจริงพวกเขาชอบที่จะเสนอความเห็นโดยการคาดเดาหรือตัดสินใจอย่างขอไปทีสามสิบไม่ยอมลงทุนนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวในคนที่เริ่มทำธุรกิจครั้งแรกคุณต้องมีต้นทุนเพียงพอที่จะรับผลกระทบจากความผิดพลาดและประครับประคองตัวคุณจนกว่าจะมีชื่อเสียงสามสิบเอ็ดถึงตรงนี้ จงบอกสาเหตุของความล้มเหลวอื่นๆที่คุณประสบซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วสาเหตุ31ประการของความล้มเหลวเป็นคำอธิบายสาหรับทุกคนที่พยายามแต่ล้มเหลวมันจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณให้บางคนที่รู้จักคุณดีมาช่วยวิเคราะห์ตัวคุณในแต่ละข้อของสาเหตุแห่งความล้มเหลวคนส่วนใหญ่ไม่สามารถมองดูตัวเองเหมือนอย่างที่คนอื่นมอง คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นคุณรู้ตัวหรือไม่ว่าตัวเองมีคุณค่าคำตักเตือนเก่าแก่ที่ว่าจงรู้จักตัวของท่านเองถ้าคุณจะทำการค้าให้ประสบความสาเร็จคุณต้องรู้การค้าขาย เ, เช่นเดียวกับการตลาดบริการเฉพาะบุคคลคุณควรรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วกำจัดมันไปให้หมดคุณควรรู้จักจุดแข็งของตัวเองเพื่อจะนามาใช้ เวลาที่จะขายบริการของคุณคุณสามารถรู้จักตัวเลขได้จากการวิเคราะห์อย่างละเอียดมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กำลังหางานทำซึ่งได้สร้างความประทับใจให้ผู้จัดการจนต้องถามว่าเขาต้องการเงินเดือนเท่าไรเขาตอบว่ายัางไม่ได้ตกลงใจไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนผู้จัดการจึงกล่าวว่าเราจะจ่ายตามคุณค่าที่คุณมีหลังจากพิจารณางานแล้วหนึ่งสัปดาห์ ผมไม่สามารถรับข้อเสนอนั้นได้ผู้สมัครงานตอบผมต้องการได้เงินมากกว่าที่ผมได้ค่าจ้างปัจจุบันนี้มันอาจดูตลกแต่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเครียดก่อนที่คุณจะเริ่มต่อรองเงินเดือนให้ดีกว่าตำแหน่งที่เคยได้หรือเริ่มมองหางานใหม่โปรดแน่ใจว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันสิ่งเดียวที่ต้องการคือเงินทุกคนต้องการได้เงินมากขึ้น แต่มันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการมีคุณค่ามากขึ้นคนมากมายผิดพลาดเพราะต้องการเพียงแต่สิ่งที่คิดว่าตนสมควรได้รับความต้องการทางการเงินไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณค่าของคุณคุณค่าของคุณจะถูกกำหนดโดยความสามารถในการให้บริการที่เป็นประโยชน์หรือสามารถชักนาให้คนอื่นให้บริการทาบัญชีผลงานของตนเอง การวิเคราะห์ตัวเองประจําปีมีความสําคัญต่อการตลาดบริการเฉพาะบุคคลเหมือนอย่างที่คุณทําบัญชี ร, รายการสินค้าประจําปียิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์ตัวคุณเองปีละครั้งจะช่วยลดข้อบกพร่องและเพิ่มสมรรถภาพในการทํางานคุณก้าวหน้าในชีวิตหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังเป้าหมายของคุณควรจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆการวิเคราะห์ตัวเองประจําปีจะแสดงให้เห็นว่า เรามีความก้าวหน้าหรือไม่ถ้ามีมากน้อยแค่ไหนและช่วยให้เห็นว่าคุณอาจกำลังก้าวถอยหลังด้วยในการทำการตลาดสำหรับงานบริการส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่คุณจะต้องก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่าจะช้าก็ตามการวิเคราะห์ตัวเองนี้ควรทำตอนสิ้นปีดังนั้นคุณสามารถใช้ช่วงวันขึ้นปีใหม่เพื่อตั้งใจปรับปรุงตนเองตามผลที่ไดจากการวิเคราะห์ ทำบัญชีรายการผลงานของตนเองโดยการตั้งคำถามตอบไปนี้กับตัวเองและตรวจสอบคำตอบด้วยคนที่เป็นกลางไม่เข้าข้างคุณแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ตัวเอง 1. ฉันได้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สำหรับปีนี้หรื อ, อยังคุณควรทำงานด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ทุกปีเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในชีวิต 2. ฉันได้ให้บริการด้วยปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหรือยังหรือฉันสามารถปรับปรุงบริการนี้ได้อีกหรือไม่สมฉันได้ให้บริการที่มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหรือยังสจิตวิญญาณแห่งความประพฤติของฉันสร้างความกลมเกลียวและร่วมมือกันตลอดเวลาหรือไม่หฉันปล่อยให้นิสัยผัดวันประกันพรุ่งมาลดประสิทธิภาพ ถ้าใช่เป็นเพราะอะไรหกฉันได้ปรับปรุงบุคลิกภาพของฉันหรือไม่ถ้าใช่เป็นเพราะเหตุใดเจ็ดฉันได้พากเพียงพยายามในการทำตามแผนการจนสำเร็จหรือไม่แปดฉันได้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแน่วแน่ทุกครั้งหรือไม่เาฉันได้ยอมให้ความกลัวหกประการมาลดประสิทธิภาพการทำงานของฉันหรือไม่สิบ ฉันมีความระมัดระวังมากเกินไปหรือประมาทเกินไปหรือไม่ 11. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานดีหรือไม่ถ้าไม่ค่อยดีเป็นความบกพร่องของฉันบางส่วนหรือทั้งหมด 12. ฉันใช้พลังงานของตัวเองอย่างส่วนเปล่าโดยการไม่มีใจจดจ่อกับงานที่ทำหรือไม่ 13. ฉันได้เปิดใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 14. ฉันได้ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการอย่างไรบ้างสิบห้าฉันมีอุปนิสัยมัวเมาหรือไม่เยับยังชั่งใจบ้างหรือไม่สิบหฉันได้แสดงว่าถือตัวเองเหนือกว่าคนอื่นทั้งโดยเปิดเผยหรือปกปิดไว้หรือไม่สิบเจฉันทําให้ผู้ร่วมงานนับถือหรือไม่สิบปความคิดเห็นและการตัดสินใจของฉันขึ้นกับการคาดเดาหรือได้คิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว ส9ฉันได้บริหารจัดการเวลาค่าใช้จ่ายและรายได้หรือไม่ 20. ฉันได้ใช้เวลาไปกับเรื่องไร้สาระหรือที่เป็นประโยชน์หรือไม่ 21. ฉันจะบริหารจัดการเวลาใหม่และเปลี่ยนนิสยัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ได้อย่างไร 22. ฉันละอายกับพฤติกรรมที่ขัดกับจิตสานึกของตัวเองหรือไม่ 23. ฉันได้ให้บริการมากกว่า และดีกว่าที่ตัวเองได้จ่ายเงินไปเพื่อซื้อบริการนั้นๆหรือไม่ 24. ฉันมีความไม่ยุติธรรมกับบางคนหรือไม่ถ้ามีเป็นเพราะอะไร 25. หถ้าสมมติว่าฉันเป็นผู้ซื้อบริการของตัวเองตลอดปีที่ผ่านมานี้ฉันพึงพอใจกับการซื้อหรือไม่ย6ฉันได้ใช้วิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 27. ผู้ซื้อบริการจากฉัน ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของฉันบ้างหรือไม่ทําไมททำไมจึงเป็นเช่นนั้น 28. จากการประเมินหลักการพื้นฐานแห่งความสําเร็จของตัวเองแล้วผลเป็นอย่างไรจงประเมินอย่างยุติธรรมและให้คนอื่นที่กล้าพอที่จะตรวจสอบตัวคุณอย่างตรงไปตรงมาเป็นคนร่วมประเมินด้วยหลังจากที่คุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบอย่างน้อยหนึ่งรอบ และมั่นใจว่าได้ซืมซับข้อมูลในบทนี้แล้วคุณก็พร้อมที่จะสร้างแผนการตลาดสําหรับงานบริการเฉพาะบุคคลบทนี้คุณจะพบคําอธิบายถึงหลักการที่จําเป็นในการวางแผนการขายงานบริการของตัวเองรวมไปถึงปัจจัยหลักของภาวะผู้นําสาเหตุของความล้มเหลวของภาวะผู้นําที่พบบ่อยที่สุดคําอธิบายในการสร้างโอกาสแห่งภาวะผู้นําสาเหตุหลักแห่งความล้มเหลว ในทุกย่างก้าวของชีวิตและคําถามสําคัญที่จะใช้ในการวิเคราะห์ตัวเองทั้งหมดนี้เป็นการนําเสนอรายละเอียดที่จําเป็นต้องใช้สําหรับคุณที่กําลังสร้างความร่ํารวยด้วยการทําการตลาดสําหรับงานบริการเฉพาะบุคคลคนที่สูญเสียความมั่งคั่งไปและคนที่กําลังเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากงานบริการของตัวเองที่จะสร้างความร่ํารวย ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการทำการตลาดสำหรับงานบริการของคุณเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดการซึมซับและทำความเข้าใจในข้อมูลนี้จะช่วยคุณในการทำการตลาดสำหรับการบริการและจะช่วยคุณเป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์และมีการตัดสินใจที่ดีแต่ข้อมูลจะไม่มีค่าเลยหากคุณมีตาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เป็นฝ่ายเลือกลูกจ้าง ค้นหาโอกาสที่จะสะสมความร่ำรวยได้จากที่ไหนและอย่างไรตอนนี้เราก็ได้วิเคราะห์หลักการสร้างความร่ำรวยกันไปแล้วคุณอาจตั้งคําถามว่าแล้วผมไปหาโอกาสใช้หลักการนี้ได้ที่ไหนเราลองไปสำรวจและดูกันว่าสหรัฐอเมริกาได้ให้อะไรบ้างแก่บุคคลที่อยากร่ำรวยเริ่มต้นด้วยการจดจำว่าเราอาศัยอยู่ในประเทศที่ประชาชนทุกคน อยู่ภายใต้กฎหมายมีเสรีภาพในความคิดและการกระทํามากกว่าประเทศอื่นใดในโลกพวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยนำความอิสระเสรีนี้ไปใช้ประโยชน์เราไม่เคยเปรียบเทียบเสรีภาพอันไรขีดจำกัดกับประเทศอื่นๆที่ถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่นี่เรามีเสรีภาพทางความคิดเสรีภาพในการเลือกการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีความสุข เสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพทางการเมืองเสรีภาพในการทำธุรกิจในวิชาชีพหรือการประกอบอาชีพเสรีภาพที่จะสะสมและเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เราหามาได้เสรีภาพในการเลือกที่อยู่เสรีภาพในการแต่งงานเสรีภาพผ่านการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันเสรีภาพในการเดินทางจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่ง เสรีภาพในการเลือกอาหารของเราเองและเสรีภาพในการกำหนดเป้าหมายชีวิตซึ่งเราเป็นคนเลือกเองไปจนถึงการเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและยังมีเสรีภาพอื่นๆอีกแต่ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเสรีภาพสำคัญๆที่จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะคิดแล้วรวยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่รับประกันว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะโดยกาเนิด หรือเป็นคนอเมริกันแท้จะมีอิสระและเสรีภาพตามที่ได้กล่าวไปแล้วต่อไปเรามาสำรวจดูพรแห่งอิสระภาพที่เรามีอยู่ในมือโดยใช้เกณฑ์ของครอบครัวอเมริกันชั้นกลางที่มีรายได้เฉลี่ยพอจะเลี้ยงดูสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ดีพอประมาณในประเทศแห่งโอกาสและความอุดมสมบูรณ์อาหารจากอิสระภาพทางความคิดแบบการกระทำ นำมาซึ่งอาหารเครื่องนุ่งหม่มและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสามปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเนื่องจากอิสระเสรีภาพของเราโดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวอเมริกันมีโอกาสเลือกซื้ออาหารจากทุกแห่งทั่วโลกในราคาที่ยุติธรรมที่พักอาศัยแต่ละครอบครัวได้พักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์หรือบ้านที่เพียพร้อมไปด้วยแสงสว่างความอบอุ่นน้าและสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย ขนมปังปิ้งอาหารเช้าจากเครื่องปิ้งขนมปังไฟฟ้าราคาไม่กี่ดอลลาร์ที่อยู่สะอาดสะอาดด้วยเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าน้ำร้อนน้ำเย็นมีพร้อมตลอดเวลาทั้งในห้องครัวและห้องน้ำมีตู้เย็นไว้เก็บรักษาอาหารมีเสื้อผ้าสะอาดเอี่ยมจานสะอาดพร้อมใช้และสารพัดสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพียงเราเสียบปลั๊กไฟฟ้าครอบครัวได้รับความบันเทิง และข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงต่อวันถ้าต้องการก็เพียงแค่เปิดสวิตช์วิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกแต่ที่กล่าวไปแล้วพอจะให้แนวคิดที่แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้เพลิดเพลินกับอิสระและเสรีภาพเพียงใดเสื้อผ้าครอบครัวชนชั้นกลางทุกแห่งหน ของสหรัฐอเมริกาสามารถสวมใส่เสื้อผ้าแสนสบายในราคาน้อยนิดเมื่อเทียบกับรายได้นั้นเป็นเพียงแค่ปัจจัยทั้งสในการดำรงชีวิตตามที่ได้กล่าวไปคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยคนอเมริกันโดยเฉลี่ยแล้วยังมีทางเลือกและโอกาสอีกมากมายที่พร้อมสำหรับความภาคเพียนพยายามในการทำงานของเราคนอเมริกันส่วนใหญ่มีความมั่นคงปลอดภัย ในทรัพย์สินอย่างที่ไม่สามารถพบได้จากประเทศอื่นใดในโลกเรานำเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไปฝากในธนาคารด้วยความมั่นคงปลอดภยัยเพราะมีรัฐบาลค้าประกันซึ่งเป็นประโยชน์กับเราถ้าธนาคารล้มเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวจากรัฐหนึ่งไปยังอีกรัฐหนึ่งโดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางและไม่ต้องขออนุญาตใครไปไหนก็ได้ที่พอใจและคุณอาจเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ รถไฟรถประจำทางเครื่องบินเรือหรือวิธีอื่นที่จ่ายได้ความอัศจรรย์ที่อํานวยพรแก่เราเรามักได้ยินนักการเมืองประกาศว่าอิสระและเสรีภาพของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่การออกเสียงเลือกตั้งแต่มักไม่ได้ใช้เวลาหรือทําการวิเคราะห์ที่มาของเสรีภาพผมไม่ต้องการจะเสียสีใครไม่ต้องการสร้างความขัดแย้ง และก็ไม่ใช่วาระซ่อนเร้นแต่ผมจะวิเคราะห์เจาะลึกให้คุณฟังว่ามีความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเกี่ยวกับบางสิ่งที่อำนวยพรนให้ชาวอเมริกันทุกคนที่มีโชคมากกว่าคนอื่นเรามีโอกาสสร้างความมัง่งคั่งร่ารวยมากกว่าและมีเสรีภาพมากกว่าประเทศอื่นใดในโลกผมมีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ที่มาของพลังที่มองไม่เห็นเพราะผมรู้จักมันดีและรู้มานานกว่าครึ่งศตวตรรษแล้ว มีคนมากมายซึ่งบริหารจัดการพลังนั้นและมีอีกหลายคนที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษามันไว้ชื่อของปัจจัยลึกลับแห่งมนุษยชาตินั้นก็คือระบบทุนนิยมไม่ได้ประกอบไปด้วยเงินทองเท่านั้นแต่รวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่เฉลียวฉลาดและได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดีซึ่งได้วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสาธารณณะและในขณะเดียวกัน ก็ทำกําไรให้ตัวเองด้วยกลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์นักการศึกษานักเคมีนักประดิษฐ์นักวิเคราะห์ธุรกิจนักสื่อสารมวลชนผู้เชี่ยวชาญการขนส่งนักบัญชีนักกฎหมายแพทย์และผู้คนทั้งชายหญิงที่มีความรู้เฉพาะทางระดับสูงในทุกสาขาของอุตสาหกรรมและธุรกิจพวกเขาได้บุกเบิกทดลองและเป็นแสงสว่างนาทาง ไปสู่ความพยายามใหม่ๆเขาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือวิทยาลายัยโรงพยาบาลโรงเรียนสร้างถนนดีๆออกหนังสือพิมพ์จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้รัฐบาลและดูแลปัจจัยสำคัญต่างๆในการพัฒนามนุษย์กล่าวโดยสรุปคือนักลงทุนเป็นมันสมองแห่งอารยาธรรมเพราะเขาได้สร้างสารรค์โครงสร้างแห่งการศึกษาภูมิปัญญาและการพัฒนามนุษย์ การใช้เงินที่ปราศจากสติปัญญาเป็นอันตรายการใช้เงินอย่างเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจระบบทุนอย่างเป็นระบบว่ามีความสำคัญอย่างไรลองจินตนาการว่าถ้างงานของคุณคือการจัดเตรียมอาหารเช้าง่ายๆสำหรับครอบครัวแต่ถ้าหากคุณต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่มีความช่วยเหลือจากระบบทุนล่ะเช่นถ้าจะจัดเตรียมน้ำชา คุณอาจจะต้องเดินทางไปประเทศจีนหรืออินเดียถ้าคุณไม่ใช่นักว่ายน้ามืออาชีพคุณเหนื่อยหมดแรงก่อนเดินทางถึงปัญหาอีกอย่างที่อยู่ตรงหน้าคือคุณใช้อะไรเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแม้ว่าคุณจะมีแรงว่ายน้าข้ามมหาสมุทรก็ตามถ้าจะกินน้ำตาลคุณต้องว่ายน้ำไปอีกที่หนึ่งไปเกาะคาบิเบียนหรือไปแหล่งน้าตาลในรัฐอยูทา ถ้าหากไม่มีน้ำตาลกลับมาเนื่องจากไม่มีความพยายามมากพอหรือไม่มีเงินในการผลิตน้ำตาลก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงสิ่งซึ่งจะนำมาเป็นอาหารเช้าทั่วทุกหนทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาคุณสามารถหาไข่ได้ง่ายๆจากฟาร์มใกล้บ้านแต่คุณอาจจะต้องเดินทางไปไกลถึงฟลอริดาหรือแคลิฟอร์เนียเพียงเพื่อจะให้ได้น้ำองุ่นมาเสิร์ฟเมื่อคุณต้องการขนมปังคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปแคนซัส หรือรัฐที่ปลูกข้าวสาลีซีเรียลอาจต้องถูกยกเลิกไปจากเมนูเพราะไม่สะดวกเวน้นแต่ว่าจะมีกลุ่มแรงงานที่มีทักษะและเครื่องจักรที่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการลงทุนหลังจากพักผ่อนสักครู่คุณอาจจะต้องว่ายน้ำลงใต้ไปอเมริกาใต้เพื่อเอากล้วยมาซักใบสองใบระหว่างขากลับอาจแวะฟาร์มใกลๆเพื่อเอาเนยและครีมตอนนี้ครอบครัวคุณก็พร้อมแล้วสำหรับอาหารมื้อเช้า ฟังดูเหลวไหลใช่ไหมเอาละ่ะขั้นตอนที่อธิบายมาทั้งหมดเป็นวิธีเดียวที่คุณจะได้อาหารมาถ้าปราศจากระบบทุนนิยมพื้นฐานทุนนิยมแห่งชีวิตถ้าเราต้องใช้เงินทองที่จำเป็นในการสร้างและบำรุงรักษาเครื่องบินรถบรรทุกรถไฟเรือขนส่งสินค้าเพียงเพื่อเตรียมอาหารเช้าธรรมดารรมดาค่าใช้จ่ายนี้มากพอที่จะกระตุ้นเตือนจินตนาการของเรา มันอาจใช้จ่ายถึงพันดอลลาร์โดยยังไม่ได้พูดถึงกองทัพลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องบินรถบรรทุกเรือและรถไฟแต่การขนส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตของระบบทุนนิยมอเมริกาเท่านั้นก่อนที่จะฉุดลากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจำเป็นต้องลงหลักปักฐานให้ดีเสียก่อนดังเช่นอุตสาหกรรมก็ต้องเตรียมตัวทาการตลาด มีความจำเป็นต้องใช้เงินนับพันดอลลาร์สำหรับเครื่องมือเครื่องจักรการบรรจุหีพอการตลาดและค่าจ้างของคนงานชายหญิงนับล้านระบบขนส่งไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและทำงานได้เองบนโลกนี้หากแต่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันได้มาจากแรงงานความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการบริหารจัดการของผู้คนที่มีจินตนาการศรัทธาความกระตอรือรือร้น กล้าตัดสินใจและพากเพียรพยายามผู้คนทั้งชายหญิงเหล่านี้รู้จักกันดีในนามของระบบทุนแรงจูงใจของพวกเขามาจากความปรารถนาที่จะก่อสร้างวางโครงสร้างทำงานที่สำเร็จให้บริการที่เป็นประโยชน์ทำกำไรและสร้างความร่ำรวยพวกเขาให้บริการด้วยการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันพวกเขาก็รวยขึ้นด้วยเพื่อให้เข้าใจง่าย ผมขอบอกว่ากลุ่มคนในระบบทุนนิยมนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันกับคนที่ถูกสังคมประนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันที่เห็นแก่ตัวหรือว่าวสตรีผมจะไม่พยายามนำเสนอกรณีศึกษาเพื่อเถียงกับระบบเศรษฐกิจอื่นๆวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือศรัทธาของผมในการที่จะอุทิศชีวิตกว่าครึ่งศตวรรษเพื่อนาเสนอให้กับคนซึ่งต้องการความรู้แห่งปรัชญาที่สาคัญที่สุด นั่นคือการสร้างความร่ำรวยในสิ่งใดก็ได้ที่ปรารถนาผมได้วิเคราะห์ถึงเหตุผลและข้อได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมคือ 1. ระบบทุนนิยมจะชี้ให้เห็นว่าทุกคนที่ปรารถนาความร่ำรวยต้องตระหนักและปรับตัวเองให้เข้ากับระบบที่สามารถจะควบคุมได้มาซึ่งทรัพย์สิน 2. สะท้อนให้เห็นภาพที่ตรงกันข้ามกับที่นักการเมืองหรือพวกกวนเมือง และสื่อมวลชนชอบพูดว่าระบบทุนเป็นพิษภัยแต่นี่คือระบบทุนนิยมเราพัฒนาทุกสิ่งผ่านการใช้ระบบทุนเราเป็นผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในพรแห่งเสรีภาพและโอกาสเราเป็นผู้ซึ่งสแสวงหาความร่ำรวยโปรดรับรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยหรือโอกาสที่พร้อมแล้วสำหรับเราก็เพราะระบบทุนนิยมที่นาผลตอบแทนมาให้มีเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น ที่จะสร้างความร่ำรวยโดยถูกกฎหมายไม่มีระบบใดอีกแล้วที่ผู้ใดผู้หนึ่งสามารถสร้างความร่ำรวยอย่างถูกกฎหมายผ่านพลังแห่งผู้คนที่เป็นระบบที่คืนคุณค่าย้อนกลับไปยังคนที่ได้ลงทุนไปโอกาสของคุณในท่ามกลางความมั่งคั่งร่ำรวยสหรัฐอเมริกาได้ให้เสรีภาพและโอกาสทั้งปวงในการสร้างความร่ำรวยกับใครก็ตาม ที่ทํามาหากินด้วยความสุจริตที่ควรจะได้เมื่อคุณจะล่าสัตว์ต้องเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ฉันได้เมื่อคุณจะค้นหาความร่ํารวยก็ต้องใช้กฎเกณฑ์เดียวกันฉันนั้นถ้าคุณกําลังค้นหาความร่ํารวยโปรดอย่ามองข้ามประเทศหนึ่งซึ่งผู้หญิงใช้ใจ่ายเงินซื้อเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ความงามถึงล้านดอลลาร์ต่อปีอย่ารีบร้อนไปจากประเทศซึ่งผู้ชายจงใจใช้เงินจํานวนมากกว่าล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลรวมไปถึงอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแม้จะมีการกล่าวถึงเรื่องของสิ่งซึ่งหรูหราฟุ่มเฟือยและไรสาระไม่มากนักแต่จงจำไว้ว่ามีผลิตภัณฑ์ไม่มากนักในธุรกิจการผลิตและการตลาดที่จะสามารถจ้างงานผู้คนชายหญิงหลายล้านคนซึ่งได้รับเงินจากการให้บริการของพวกเขา เป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ต่อเดือนและใช้จ่ายเงินนั้นได้อย่างอิสระทั้งสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและสิ่งที่จำเป็นในชีวิตโปรดจำไว้ว่าเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและการบริการได้ให้โอกาสเรามากมายในการสร้างความร่ำรวยเสรีภาพของพวกเราชาวอเมริกันได้มาเพราะความช่วยเหลือของพวกคุณทุกคนไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยั้งคุณและคนอื่นๆจากกา ร, รเริ่ม และพยายามที่จะสร้างธุรกิจขอเพียงคุณมีอัจฉริยภาพมีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมคุณก็อาจสร้างความร่ำรวยได้อย่างมหาศาลส่วนคนที่โชคไม่ดีก็อาจได้มาน้อยกว่าใครก็ตามที่เพียงแต่ทำงานก็ได้รับผลตอบแทนกลับมามาถึงตอนนี้โอกาสก็ได้มารออยู่ตรงหน้าคุณแล้วจงก้าวไปข้างหน้าเลือกสิ่งที่คุณต้องการวางแผนการของคุณและนาแผนการไปปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นระบบทุนของสหรัฐอเมริกาจะทาที่เหลือต่อเองคุณสามารถวางใจได้เนื่องจากระบบทุนของสหรัฐอเมริกาประกันด้วยความมั่นใจว่าทุกคนมีโอกาสที่จะให้บริการที่เป็นประโยชน์พร้อมกับสร้างความร่ำรวยจากคุณค่าแห่งบริการนั้นระบบไม่ปฏิเสธคนที่ทำถูกต้องแต่ไม่เคยให้สัญญากับเรื่องการเสี่ยงโชคระบบจะควบคุมกฎของเศรษฐศาสตร์ ด้วยตัวของมันเองโดยไม่รับรู้การได้อะไรมาโดยไม่ลงทุนความหลงตัวเองคือหมอกควันซึ่งปกคลุมตัวตนที่แท้ จ, จริงของเราไว้โดยไม่รู้ตัวมันลดศักยภาพและเพิ่มความขัดแย้งในตัวเรา